ตรงนี้ก็ดังที่ได้กล่าวเกี่ยวในเรื่องของวิชาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยว่ามีมากมายนับแต่เบื้องต้นก็คือเกี่ยวในเรื่องของอัตตาทิฏฐิหรือสักยทิฏฐิความเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยนีคือการเป็นยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราเป็นของของเราไหเป็นต้นนี่เราก็จะพูดกันแบบย่อๆแล้วก็สั้นๆอย่างนั้น แต่ในรายละเอียดจริงๆได้มากเราจะยั ง, ยงไม่ค่อยได้ไปถกในรายละเอียดของมิจฉาทิฏฐิเหลนะ่านั้นตรงนี้ก็เราจะตามในเรื่องของทิฏฐิทําความเข้าใจในเรื่องของทิฏฐิให้ชัดหน่อยนะว่าเออในด้านของทิฏฐุปาทานเนี่ยก็ไปเกี่ยวในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเพราะในปฏิจจสมุปบาทนั้นน่ะตัณหาเป็นปัจัยเกิดอุปาทานอุปาทานในที่นั้นเป็นชื่อของทิฏฐุปาทานคือการยึดมั่นคือทิฏฐิ ก็คือความมินผิดหกสบสองประการดังที่ได้กล่าวแบบย่อๆแบบประเภทใหญ่ทีนี้ในประเภทใหญ่เหล่านั้นเป็นความมินผิดที่ปรากฏในพุทธศาสนาหรือในโลกที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ที่ถูกประธานเครื่องยึดมั่นคือทิฏฐินี่ยเครื่องยึดมั่นคือทิฏฐิที่เกิดขึ้นก่อนและตามที่ยึดถือว่าเป็นความเหสนนี้เป็นความมิสผถูกเป็นต้นเหล่าเนี้นะเครื่องยึดมั่นคือทิฏฐิเครื่องยึดมั่นทิฏฐิเนี่ยการแปลของเขาก็เป็น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 ถ้าในาหลักสูตรที่ใช้เรียนใช้ศึกษากันก็พูดถึงในด้านของสักจะทิฏฐิที่เขาเรียกว่าอัตวาทุบาทานเหมือนกันกเรื่องอัตตาทิฏฐิก็คือสักจะทิฏฐิที่ยึดมั่นกันห่าว่าเป็นตัวเป็นตนตมีอยู่ยี่สิบอย่างโดยพิสดารก็สองร้ห้าสิบหกแค่คิดอย่างเดียวก็นั่งงงกันอยู่นเนี่ยนะสักจะทิฏฐิที่เกิดขึ้นโดยสายรูปก็โดยสายรูปเป็นอารมณ์เรามีอยู่สอย่างในสอย่างเนี่ยนะ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 คำว่าเราเนี่ยนะเราคือตัวอัตตาตัวตัวสมคัญผิดไอ้ตัวที่ถือความยึดมั่นว่าไอ้รูปยีสบแปใช่ไหมเราเนี่ยกับรูปยีดเป็นอันเดียวกันเหมือนกับที่เห็นว่าเปลวไฟกับแสงไฟว่าเป็นอันเดียวกันอย่างนี้นะคือไปเข้าใจว่ารูป28ดเนี่ยกับเราอ่ะแท้จริงเขาตั้งเราก่อนใช่ไหมเราเนี่ยกับรูป28ดเป็นอันเดียวกันอันนี้คือกลุ่มที่ไม่ได้แยกส่วน ถ้ากลุ่มแยกส่วนดีมันจะพิสดารขนาดไหนก็ยึดมั่นปัทวีอช่ไหมเรากับปัทวีเป็นอันเดียวกันเรากับอาโปเป็นอันเดียวกันเรากับเตโชเป็นอันเดียวกันเรากับวาโยเป็นอันเดียวกันเรากับจักขุประศาสเป็นอันเดียวกันเรากับโสตประสาสเป็นอันเดียวกันเรากับคารณประสาสเป็นอันเดียวกันเรากับชิวหาประศาสเป็นอันเดียวกันเรากับกายะประสาสเป็นอันเดียวกันเพราะจไหมเรากับรูปารมณ์เป็นอันเดียวกันเรากับศัทธารมณ์เป็นอันเดียวกันเรากับขันธารมเป็นอันเดียวกัน เรากับราษฎรรมบทพารลมและธรรมอารมณ์เป็นอันเดียวกันเนี่ยกระไปเรื่อยเรื่อยเริ่มจะเข้าใจไหมถ้าว่าเจะย่อมีหนึ่งใช่ไหมพิสดารเท่าไหร่ยี 28. เนี่ยเฉพาะรูปอย่างเดียวก็ว่าอย่างนี้นนที่เขาคิดเยอะๆเนี่ยอย่าแปลกและสัตว์ทั้งหลายก็ยึดมั่นทุกตัวแหละ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 แต่ก่อนไม่ได้ขยายพราะพดเร็วๆๆๆไปนี่ทำไมเขาไม่เข้าใจเร็วๆนี่ทำไมเขาไม่เข้าใจแต่นี่เข้าใจใช่ไหมแต่นี่ข้อสองเขาบอกว่ารูปะวันตังวาอัตตาเนะียนเขียนว่าเรามีรูปถ้าบอกว่าเรามีรูปเนี่ยกลับไปเข้าใจว่าเรากับรูปเนี่ยเป็นคนละอันนะนี่เข้าใจคนลนะนแล้วเหมือนกับต้นไม้กับเง า, นานเป็นคนละอันเลยนะต้นไม้กับต้นไม้เงากับเงาสิใช่ไหมที่ แ่คําว่าเราก็คือเราคําว่ารักคาว่ารูปเปื่อนะเราก็ปัจวีคนละตัวนะเราก็เตโชเราก็ปัจวีท่าเราก็เตโชท่าเราก็วาโยท่าเราก็บอาโปท่าเราก็เตโชท่านะดินน้าไฟลมการเราเนี่เป็นอันเดียวกันไหมฮะอ่าเป็นอันเดียวกันไหมเป็นอันเดียวกันหรือคนละเออคนละส่วนคนละส่วนก็เข้าเป็นอัตราข้อนี้เนี่ยเป็นนี่ยพวกเราก็เป็นศักท์ยที่จิข้อที่สองนี่แหละเราไปถือว่าเป็นคนละเห็นไหม เห็นไหมเรายัางมีสักกายะที่ถี่ไหมยังมีอยากห้เกิดนะตอนใกล้าตายนยจริงๆเรามีไหมเมื่อกี้ถามว่าเรากับร่างกาย เ, ยเป็นอันเดียวกันหรือกล่านถ้าเห็นอย่างนี้เป็นสักกายะที่ถี่ประเภทสองใช่ไมต้องเข้าใจอย่างนั้นตอนแรเริ่มจะตาลอยๆเลยนะอันนี้กูอันแล้วนะคำว่าเรามีรูปอะเรามีปะทวีธาเรามีเตโชธาเรามีวายโยธาใช่หไหมเรามีเรามีอาโปธาเรามีตา เรามีห <mile> e, ูเรามีจมูกเรามีล really right ิ้นเรามีกายเคยไหมคิดอย่างนี้ไหมอ้าวข้อที่สามอัตตนิวาโรปังนี่เข้าใจว่ารูปอยู่ในเราเข้าใจว่าเรากับร่างกายเป็นคนละอันเหมือนกันเขาไปเข้าใจว่ารูปเนี่ยอยู่ในเราเข้าใจยังไงดีว่ารูปอยู่ในเราเนี่ยปัทวีก็อยู่ในเรานี่แหละอาโปธาต์ก็อยู่ในเรานี่แหละวาโยธาต์ก็อยู่ในเรานี่แหละใช่ไหมไตรโชธาต์ธาตุไฟก็อยู่ในเรานี่แหละ จกักุปรรสิ์ก็อยู่ในเราสุตตะปราสาทก็อยู่ในเราคณะปราสาทก็อยู่ในเราคณะปราสาทชิวหาปราสาทกายยปราสาทก็อยู่ในเรานี่แหละนี่ก็ยังเข้าใจคนลานอยู่ในแหละอันนี้แต่ว่าสลับใช่ไหมประการสุดท้ายคือรู้ปัสมิงวาตามีความรู้ว่าเราอยู่ในรูปรูปกับร่างกายเป็นคนลนอังเหมือนกันจะไปเข้าใจอะไรว่าเราเนี่ยอ๋อเราอยู่ในปฐวีไม่ใช่ปฐวีอยู่ในเราแต่นี่มาเข้าใจสลับแล้วเอาเราไปอยู่ในปฐวีเราไปอยู่ในเตโชเราไปอยู่ในวาโย เราไปอยู่ในอาโปรเราไปอยู่ในเราไปอยู่ในไหนดีในจักรพรราิเราไปอยู่ในค้ะประสาสตร์ในชิวหาปราศาตรอาเราดึงผมงออกมาดูที่มีเราอยู่ในนั้นั้ยมีไม่มี ใช่เหยแม้เนี่ยเอาไปคนอยู่ว่าเรามันปิดอไปสิงอยู่นี่นเ น, นี่ยแค่เนี้ยยากไหมก็ เ, เอา4อย่างเนี่ยเอาไปคูณกับเอาไปคูณกันยกลายเป็นพิสดาร112เลยแค่นั้นแหละเนี่ยคืยนอจนวนพิสดารของเขานในด้านของรูปประขนเนี่ยนะไล่ไปเหอะไล่ไปปัทวีเตโช ว, วายวูาโปเนต้นนะยไล่ไปจะถึงชราตานิจจตาเป็นต้นเนี่ยัศักยะยี่นี่นะศักยะที่44ก็คูนรูป2ี่สิกเป็นรยไปยากยแหแบบเนี้ยนี่เขาเรียนตามหลักสูที่เขาก็เรียนกันอย่างนี้แหละแต่ เดี๋ยวจะอธิบายในรายละเอียดในชั้นเขาดีกายฟังนะอะต่อไปดูเวทนายข้อนั่งนั้นสัญญาสังขารวิญญาณเราถึงเป็นถึงว่าเข้าใจแล้วเอา้าเรื่องรูปนี่เข้าใจไหมอย่างเงี้ยเข้าใจนะอันแรกว่าไงนะต่อใจว่าไงไม่อันแรกว่าไง เ, าเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเออล้วก็ปัวีถ้าเป็นอันเดียวกันเพรข้อที่สองว่าเรามีรูปใช่ไหมก็เข้าใจยังไงคนละส่วนเรามีรูปใช่ไหม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 เราสุขเราทุกข์เราเฉยเฉยเห็นบ่อยไหมแบบนี้ใช่ไหมเราสุขว่ามันไปเข้าใจเป็นอันเดียวกันไปแล้วเนี่ยไอ้สุขเวทนาก็เป็นเราเนี่ยแหละไอ้ทุกขเวทนาก็เป็นเราเนี่แหละอุเบกขาเวทนาก็เป็นเราเลยจักขู่สัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาการะสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากายะสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนา ลองลองลอ ง, ลองใช้นิ้วหยิกตัวเองดูดิใครเจ็บนั่นแหละเ <c oughs> นี่ยเนี่ยศัพทิธีใช่ไหมใช่ไเนี่ยการเสวยอารมณ์นี่เป็นเราเราเป็การเสวยอารมณ์ใช่ไหมพอหยิกก็ไปปุ๊บเนี่ยแท้ที่จริงสภาวะของเวทนาเน่ยเป็นผู้เสวยไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้เสวยหรอกในสุขเวทน า, าก็ก็ทํากิจของเข้าไปได้เหตุได้ปัจจัยก็เกิดหมดเหตุหมดปัจจัยเขก็ดับเขาไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ เขไม่รู้หรอกเวทนานั้นมีปัจจัยทั้งหลายอย่างทั้งปัจจัยในส่วนของอดีตภพและปัจจุบันภพแล้วยังปัจจัยอยีกเยอะแยะหมดใช่ไหมปัจจัยที่จะทําให้เกิดเวทนามีทั้ง8อย่างที่กล่าวไว้ในคำภีสัญญุตตานิกาสรสลายยตนะวัตรเล่มที่29เนี้ยของฉบับมหามฆกุฎนะถ้าในในเล่มที่45่สิเล่มก็ น, นี่ยแหละในสลายยตนาวัต ก, ก็ไปดูเนี้ยใช่ไหมในเวทนาสัญญุตเนะี่ยไปดูสิ เราก็จะเห็นว่าโอท่านพูดถึงปัจจัยที่ทําให้เกิดเวทนามีทั้งหลายอย่างใช่ไหมดีก็ได้สเละก็ได้ดีสเละเป็นต้นรวมกันเป็นต้นก็ได้เนี่ยแต่สัตว์โลกทั้งหลายก็ไปเข้าใจเห็นว่าการสวยอารมณ์เป็นเราเราการสวยอารมณ์อีกอย่างนึงเรามีการสวยอารมณ์นี่เข้าใจว่าเราและการสวยอารมณ์นี่เป็นโกุลาเลยเรามีการสวยอารมณ์นะเรามีสุขนะเรามีทุกเรามีอุเบกขามันจะมีคําว่าเราเนี่ย บอกให้สังเกตดูนนะว่าตรงเนี้คนที่โท ม, มานาัทมากๆเนี่ยต้องเอาไปคิดบ่อยๆรู้สึกจะโท ม, มานาัทมากเมื่อพัดพลาดเนี่ยเราจะได้รู้ว่าจริงๆเลยถ้าจริงตัวเวทนาเนี่ยเป็นผู้เสวยอารมณ์การเสวยอารมณ์คือเป็นเวทนาไม่ใช่เราเสวยก็ปล่อยมันไปที่นั่งดูก็าใส่อ่ะ <c oughs> ใช่ไหมวันนี้เราจะไปดูเ ว, วทนาก็ทําก <c oughs> <อ>ิจก็ไปนั่งดูหมายความว่าไปนั่งวิจัยก็ดูนะ อ่าถ้ามันทกเวทนาเกิดขึด้นใช่ไหมมันเกิดถูกกระทบกระทั่งกระดูเขาใช่ไหมคำว่าดูในที่นั้นก็ไปลองดูดิมันใช่เราไม่เป็นผู้ตัวเข้าใจป่าเข้าไปวิจัยดูเอเวทนาเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยปัจจัยปัจจุบันกเกิดจากภาษาเนาะใช่ไหมอ้านมีภาษาเนี่ยมีจักรคูสัมปัสสะใช่ไหมมีโสตสัมปัสสะคานะสัมปัสาสะชิวหาสัมปัสสะกายา ส, มาสาัมปัสสะมโนสัมปัสสะใช่ไหมมันถึงเกิดที่นะ เอาแล้วเวทนานี่เป็นผลใช่ไหมมาจากอะไรอวิชาธนกรรมในอดีตใช่ไหมแต่วบอโอ้เป็นอย่างนี้อีกยินคนเออเวทนาเวท น, นานี่มันเกิดกับสัตว์ทุกจพวกเลยนี่นี่มันได้ปัจจัยมาเกิดไงกระแสขันท่าอดายตนาอันนี้แล้วมันได้หปัจจัยแล้วนี่มันเกิดขึ้นมาเลยแลเกิดหนักด้วยเนี่ยโหถูกอกุศลกรรมเบียดเบียนหนักเลยใช่ไหมทุกเขเวทนาก็บีบคั้นใหญ่ต้องร้องไหมอ่ะมันบีบหนักอ่ะทำไมต้องร้องอ่ะถ้าไม่ใช่ของเราเลยไหม อ๋อหมายความว่าจริงๆการพิจรารณาก็ต้องค่อยควรทั้งก่อนทั้งในขณะที่เกิดและหลังเลยตั้งแต่การพิจารณาทั้งหมดเลยปัญหา ว, ว่าเวลาเวทนามันเกิดชัดๆเนี่ยได้มากเราพิจารณาก่อนบงางครั้งมันไม่เคยเห็นแรงๆสตีเลยใช่ไหมเพราะมันเกิดขึ้นมาแรงๆมันจะได้เข้าใจว่าตัวเวทนาเนี่ยมันทํากิจของมันเหตุที่ทํากิจนั้นเพราะมันได้ปัจจัยในปัจจุบันแล้วบวกกับปัจจัยในอดีตยังไงจะได้ไปเข้าใจเข้าใจยังไหม ถ้าไม่ใครคนมาก่อนอยู่ไปเห็นไดนน้นในกลุ่มของเวทนาเนี่ยในกลุ่มของกาพูดของเวทนาที่จริงถ้าจะพูดเวทนาเนี่ยเรต้องพูดให้ให้ไปจนจบปะความเย็นของเวทนาด้วยจำไปถ้าพูดตรงนี้เนี่ยนะก่อนเนี่ยกําลังกํ<อ>าลังจริงๆถ้าพูดถึงเวทนาเนี่ยมันจะต้องเชื่อมไปตรงนั้นจะได้เห็นว่าเวทนามันเย็นยังไงตรงนี้นะเดี๋ยวเชื่อมไปดูทีหลังก็ไล้ว่าจริงๆตัวเวทนาเนี่ย คือสัตโลกทั้งหลายโดยมากจะเข้าใจเวทนาผิดพลาดแต่สำคัญว่าการเสวยอารมอยู่ในเราใช่ไหมเมื่อกี้บอกเรามีการเสวยอารมเข้าใจว่าเราได้การเสวยอารมเป็นคนงานใช่ไหมแต่คําว่าเอาอัตตาขึ้นก่อนเอาตัวเวทนาไว้ทีหลังแค่นั้นแหละส่วนข้อที่สามอัตหนีวาเวทนานก็คือการเสวยอารมเนี่ยอยู่ในเราอันนี้เป็นเป็นพูดถึงการเสวยอารม์เลยว่าตัวสุขเวทนาก็อยู่ในเรานี่แหละ ทุกเวทนาก็มาสิงอยู่ใน <onder> เรานี่แหละตัวเบกขาเวทนาก็มาสิงอยู่ในเรานี่แหละทมานัสเวทนาก็มาสิงอยู่ในเราเนี่ยทุกเ <measurable> <oria> วทนาก็สิงอยู่โทมนัตก็สิงอยู่สุขเวทนาก็สิงอยู่แล้วก็อุเบกขาเวทนาก็สิงอยู่ในเรานี่ไปเข้าใจว่าการเสวยอารมณ์อยู่ในเราเข้าใจว่าเราและการเสวยอารม์เป็นกนละอันกันอันแรกบอกเราและการเสวยอารมเป็นคนละอันเราและการเสวยอารมณ์เป็นกุละอันก็ไม่ต่างกันเลยใช่ไหม แต่เพียงว่ า, าจะจับอะไรขึ้นก่อนจะโพูดเอาเวเอาการสวยอารมณ์เอาตัวเวทนาก่อนหรือตัวอัต tag ่อนบางครั้งก네็บอกว่าเอาตัวอัตตาเนี่ยตัวเราเนี่ยขึ้นมากล่าวก่อนว่าเราและการสวยอารมณ์เนี่ยเป็นคนละอันหรือการสวยอารมณ์อยู่ในเราเนี่ยข้อที่สี่เวทนายาวาอัตตานังก็คือเราอยู่ในการสวยรมเข้าใจว่าเราและการสวยอรมเป็นคนละอันอีกเหมือนกันเราเนี่ยอยู่ในการสวยรม ในการสวยสุขเวทนาเราก็อยู่ในนั้นในขณะได้รับทุกเวทนาเราก็อยู่ในนั้นแหละในขณะที่รับโทมนัสเวทนาเราก็อยู่ในนั้นแหละในขณะที่สมนัสเวทนาเราก็อยู่ในสมนัสเนี่ยแล้ะเวขาเวทนาเราก็อยู่ในนั้นแหละเข้าใจใช่ไหมยังเป็นนี้อัจจุบนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างยังยกตัวอย่างส่วนในสังขารวิญญาณก็ก็ไม่ยกและอันนี้ถือว่ายกรูปกับนามเบ็ดเสร็จแล้วนะทีนี้ ต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของทิฏฐุปาทานนั่นี้ได้ครับคําว่าทิฏฐุปาทานเนี่ยเป็นการเป็นอัตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้จักกันไปบรญยติว่าเป็นสัตว์บางเป็นบุคคลเป็นชีวะบางในสักยะทิฏฐิวตัตถุ20เนี่ยนะเขาเรียกว่าอัตวาทุปาทานยึดมั่นก็หมายความว่าวยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าในบรรดาทิฏฐินเนี่ยนะสักยะทิฏฐิคือลายปุรุชนผู้ไม่มีการสดับแล้วในโลกนี้ไม่ได้เห็นผ้าระยะกว่ากันไปเลยตรงนี้ยยาวเลยตรงเนี้ย ไม่ได้ฟังพฤติกรรมของปัญญาไม่ได้เห็นสัตว์บุตรไม่ได้ฟังธรรมของสัตว์บุตรต่างต่างแล้วนี่ย่อมเห็นรูปเป็นอัตตาบ้างอันนี้คําว่าเรามาเปลี่ยนสำตอบว่าเห็นอัตตาให้เข้าใจนยคําว่าอัตตาคือเราเนี่ยเห็นรูปว่าเป็นอัตตาบ้างเห็นอัตตามีรูปบ้างเห็นรูปในอตาบ้างเห็นอัตตาในรูปบ้างย่อมเห็นเวทนาว่าเป็นอัตตาบ้างเห็นอัตตามีที่มีเวทนาบ้างเห็นเวทนาในอัตตาแล้วก็เห็นอัตตาในเวทนาสัญญาสัญขาณวิญญาณก็ในยะเดียวกันนี้แหละ ในยะเดียวกันในพระบาลีเนี่นะในพระบาลีนี้พุทธพุทธพุทธดำรัตที่บอกว่าเห็นร ah. anyway. ูปว่าเป็นอัตตาหมายถึงว่ายึดมั่นอะไรยึดมั่นรูปนั่นแหละว่าเป็นอัตตาพระดํารัตว่าเห็นอัตตาที่มีรูปก็หมายความว่ายึดมั่นว่าอัตตาของเรา่เป็นรูปพระดํารัตของพระเจ้าที่บอกว่าเห็นรูปในอัตตาบ้างก็หมายความว่ายึดมั่นรูปดํารงอยู่ใน โดยอาศัยอัตราหรือพระดำรัสที่บอกอัตราในรูปบ้างกฎหมายก็มายึดมั่นว่าอัตราดํารงอยู่โดยอาศัยรูปถามว่ายึดมั่นอย่างไรอะ่ะยึดมั่นอย่างไรเมื่อพูดถึงรูปประกายคือปฐวีธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอาโปธาตุเนี่ยนะเมื่อพูดถึงรูปประกายว่าวันนี้เราตัวหนักวนัวนวนี้เราตัวเบาชื่อว่าเห็นรูปคือปฐวีธาตนะุเนี่ยเป็นอัตราใช่ไหมหนักหรือเบาเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าวันไหนปฐวีธาตุมากเนาะวันนั้นตัวก็หนักวันไหนปฐวีธาตุนี่น้อย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 วันนี้เราตั้งอยู่ในความเบา น, นี่เข็นอัตตาในปัทวีธานี่คือความเป็นไปของสักยติติที่เวียนมาสี่รอบในปัทวีธารูปยี่สิบเจ็ดก็มาไล่ไปอย่างเงี้ยโอ้โหยากเลยวันนี้เราตัวหนักให้วันนี้เราเราตัวหนักนี่นะบอกโอ้โหรู้สึกจะลุกจะอะไรต่างๆยากตอนป่วยเนี่ยอันนี้เห็นรูปเป็นอะไรเออเห็นรูปเนี่ยนะเข็นปัทวีธาเนี่ยบินเราไปซะแล้วใช่ไหมแท้จริงน ะ, งอะไอ้ตัวหนัก ตัวหนักหรือตัวเบานี่เราไปเห็นปฐวีธาตุเป็นตัวเราโอวันนี้วันวันนี้เด really ินคล่องเลยเนี่ยมำไมรู้สึกวันนี้ตัวเบาดกว่าจังไปเห็นปฐวีธาตุเป็นเราแล้วในตอนนั้นแต่จริงหนักหรือเบาไม่ใช่เราใช่ไหมเป็นปฐวีธาตุโอวันวันนี้ปฐวีธาตุเนี่ยรู้สึกจะคล่องดีมันเบาอ่ะอ่าเป็นบ่อยไหมแบบเนี้ยตัวหนักตัวเบาเนี่ยอ่าเห็นอย่างนี้ไหมชีวิตจริงๆ่งเป็นอย่างนี้ไหมอย่างนี้เข้าใจไม่ยากใช่ไหม อ่าเด็กลองลองลองดูสิเลยมันจะมีมีคําว่าเออเราตัวหนักเราตัวเบาตลอดเราเราตัวน่ะไอเราเด็คืออัตตาเนี่ยไอตัวหนักไอยิงไอตัวที่หนักไอประเทวีนั่นมันหนักความรู้สึกของเราไปไอความรู้สึกนั้นน่ะนะจิตที่เข้าไปยืดเนี่ยจิตที่เข้าไปยืดว่าหนักหรือเบานั่นแหละไอจิตนั้นเป็นอัตตานเนี่ยอัตตาตัวนั้นคือตัวมิจฉาทิถีเนี่ยไอตัวอัตตาตัวนั้นน่ะไอเราตัวนั้นคือตัวมิจฉาทิถีไปเข้าใจว่ามีเราอยู่มันก็เข้าไปยืดเลย หนักจังวันนี้เราหนักวันนี้เราเหนื่อยด้วยเป็นอะไรเนี่ยเหนื่อยมันก็หนักเลยแะเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเขาจึงบอกว่าวันนี้เราตัวหนักวันนี้เราตัวเบานี่ชื่อว่าเห็นรูปไม่ไปเห็นเห็นปฏิวีทาธ์เนี่ยที่จริงก็คือไปเห็นรูปนะคือปฏิวิททธ์เนี่ยเป็นอัตราไปซะแล้วแต่ที่จริงคือเป็นปฏิวิททธ์ถ้าพูดถึงสภาวะธรรมอื่นหรืออัตราที่ค้นจับสภาวะวันเนี้ยกายของเราหนักอันนี้หมายถึงไปไปพูดถึงสภาวะธรรมอื่นแล้วนี่ย กายของเราหนะ่กหรืออัตราที่พ้นจากสภาวะธรรมบอกว่าวันนี้กายของเรานะ่ะหรือกายของเราเบากายนี่กายหนักกายเบาเนี่ยี่เห็นอัตราใช่ไหมเห็นอาตาัตราไปไปเข้าใจบอกว่าโอ้ยตัวหนักจริงๆเนี่ยมันมันไม่ใช่กายเนะาะแท้ที่จริงไอตัวอัตราต่างหาเป็นพู้ <c oughs> เป็นผู้เป็นหนักเป็นผู้ไปแบกนะ่ะเป็นผู้ไปแบกเราจะทนไม่ไหวแล้ว <c oughs> แค่เป็เราทนไม่ไหวอัตตาจะทำเดี๋ยวเปล่อยสิจะไปพูดไปพูดมาใช่ไหมเดี๋ยวเขาวางหนังสือก็เดี๋ยวไม่เข้าใจเลยประหลาดแคไ้ความก็ใจถึงเพราะอะไรอ่ะสัมมาทิฏฐิถ้ามันรีบเข้าใจเนี่ยเอาไารีบตีวงล้อมบ่อยๆเนี่ยสัมมาทิฏฐิต้องมาทำจิตต้องมาต้องวิจัยบ่อยๆเอาวิจัยบ่อยๆนี่เปิดทางนี่มันแล้วตอนนี้ เปิดทางสมาทิฏฐิแล้วนะสมมาวายมะก็เพียนเพื่อระละมิจฉาทิฏฐิเพื่อจะเข้าถึงสมาทิฏฐิตัวนี้สัมมาสติก็เพียนระละเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิเพื่อจะเข้าถึงสมาทิฏฐินี่สมมาทิฏฐิสมมาวายมะสัมมาสติก็ไปแวดล้อมสมาทิฏฐิขยายวงของสมาทิฏฐิให้กว้างขึ้นตอนนี้เอาปฐวีธาตุมาวิจัยใช่ไหมต่อไปก็เอาอโภธาตุมาเอาวายุยธาตุมาเอาเตโชธาตุมา เราไปเขอาจาักรคู ป, ประสาทมาโซต่าปาะสาทคณะประสาทจิวหาประสาทกายวิจัยไปเรื่อๆยๆก็เลยขยายวงของสมาธิทิพย์วิจัยละห้าสิบรอบอย่างละห้าสิบรอบไปนั่งวิจัยกันดิ <c oughs> นี่เลยว่าไ ม, ไม่ต่อยอดกันนี่เจอมะถ้าอย่างนี้จะเข้าใจหมดเลยแหละนี่เราไม่ค่อยไปขยายวนเอาไปนั่งขยายวนลี่เอออย่างเงี้ย ขยายไปขยายมามาาั่นนมวกลับมาบ่ไม่รู้ไม่รู้ทำไมได้ตีหายไปแล้วมีใจได้สี่ข้อบมาอีกแล้วกลับมากลับมาเรียนมาเพมันของเคยเรียนอยู่แล้วแต่ก่อนเคยเข้าใจแล้วแล้วมันก็มืดไปหลายอัตราภาพแล้วแล้วก็กลับมานั่งเรียนของเก่ากันอยู่นี่แต่ก่อนเนี่ยจะละโสดาปริมาร์ยัเกิดจะแทงตลอดได้อยู่แล้วไปทิ้งซะนี่แม่หน้าจะตายแทย้ใช่ไหมตอนนั้นอะ่ะ สุดท้ายปรมาจะได้อยู่แล้วเนะี่ยใไมวิบัตนายา์ตรงสูงก็จ้องจะได้อยู่แล้วปัมมาที่ไม่รู้ไปห่วงอะไรหรือตอนนั้นทิ้งดะทีแล้วเลยตอนนี้ไปเลยละอกเลยเหมนไปเลยนี่มานั่งเรียนกันใหม่ยังทำท่าง ง, งงๆอยู่เนี่ยจะมีใช่ไหมใช่ปรรยายนั่งบรรยายนีย่ไปเห็นยากเลยว่ามั น, น, นก็คณท้วยวะเนกับปัทวีธาตุเนี่ยใช่ไหมหกใช่ไหมอย่างนี่สีใช่ไหม อัตราเดยไปยึดมั่นมีอารมณ์สีแล้วก็ไปคูณรูปยี่สิบแปดก็เป็นร้อยสิบสองก็แค่นี้แหละก็พิสดารก็ได้แล้วนั่นปวดแคนนั้นจบเบียดเสร็จผมบอกนัก เ, เ, เรียนเบียดเส็ตัเองก็ไปนอนไม่ได้ไปวิจัยอะไรหรอกนี่ก็ไปประมาทอยู่เงนี้ยเลยไม่ได้เห็นอะไรเลยน่ากลัวไม่เล่นกนเนตรงนี้นี่แหละก็เรียกว่าเมื่อพูดถึงสภาวะตามอื่นนะข้อนี้เข้าใจไหม หรืออัตราที่พ้นจากสภาวะธรรมบอกว่าวันนี้กายของเราหนักหรือกายของเราเบาเนี่ยอันนี้อันนี้ชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรเราอะไรเรามีอะไรเรามีปัจวีธาตุใช่ไหมกายของเราหนักเนี่ยกายของเราเบาเนี่ยนี่แปลว่าเรามีอะไรเนี่เรามีปัจวีธาตุใช่ไหมเรามีปัจวีธาตุข้อแรกคืออะไรตัวหนักวันนี้เราตัวหนักวันนี้เราตัวเบาชื่อว่าเห็นอะไรเห็นรูป เห็นหเห็นรูปว่าเป็นเห็นรูปคือเห็นปัวีธาตุนี่แหละว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเราไปทีนี้พอข้อที่สองเนี่ยกายของเราหนะักกายของเราเบาอันนี้เอาทั้งหมดเลยนะเนาะเอากายทั้งหมดเลยนะอันนี้ชื่อว่าอัตราเนี่ยตัวเราเนี่ยมีปัวีธาตุถ้าโพววันนี้ความหนะักเกิดในเราแหละหรือความเบาเกิดขึ้นในเรา นี่ก็จะเห็นอะไรปฏิวิทาศนในเราใช่ไหมเพราะว่าหาวันนี้ความหนักเนี่ยมันเกิดในเรานี่แหละไอ้ตัวเราเลยไปแบกปฏิวีทาศน์ตัวน้มันก็เลยหนักใช่ไหมเนี่ยความหนักเกิดในเรานี่แหละหรือความเบาเกิดในเราเนี่ยหรือนี่ชื่อว่าปฏิวนะิทาศนเนี่ยเห็นเห็นปฏิวิทาศน์ีกเกิดในเราเมื่อพวันนี้เราตั้งอยู่ในความหนักเราตั้งอยู่ในความเบานี่เห็นอะไร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 เราจะตายเนี่ยเราจะตายนี่ไปไปเข้าใจยังไงดีถ้าเราจะตายอัตตาอัตตาเนี่ยแหละมันจะตายเนี่ยอัตตาเนี่ยแหละตัวเราเนี่นแหละมันจะตายซะแล้วใช่ไหมเพราะไปดูไอ้เนี่ยเพราะไปไปสําคัญผิดแล้วเราจะตายอันนี้จะตาอัตตาจะตายแล้วคือเราอ่ะก็ขนาดบางทีไปยึดมั่นในอื่นเนี่ยนะ ยึดมั่นรูปรูปไปไปยึดมั่นปัทมีธาตุอาโปเตโชวาโยธาต์อื่นๆเราไปเรบอกว่าแล้วเป็นสําคัญวันนั้น่ะปัทมีใอญอาโปเตโชวาโยเปนเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นเป็นญาติเราเห็นไหมแล้วเป็นพี่เราเราก็บอกว่าพี่เราตายไปสําคัญปัทมีธาตุเป็นพี่ว่านี่อันนี้ไปใหญ่เลยนะสําคัญปัวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุเป็นพี่เพราะพี่เราตายเพราะพี่เราตายบอกเราอยู่ไม่ได้แล้ว นั่งซดเลยเยอะคิดออกไหมเนี่ยแท้จริงแล้วเราไปยึดมั่นปฐวีธาตุนี่ยว่าเป็นพี่เราวันนี้พี่เราตัวหนักวันนี้พี่เราตัวเบาโอไปยึดมั่นภายนอกได้ไหมได้เนาะเอ้าวไปยึดมั่นเสื้ออะไรยึดมั่นเสื้อในเสื้อเสื้อนี้หนักเสื้อนี้เบานะได้ไหมได้แท้จริงปฐวีธาตุมันทำให้หนักมันเสื้อที่ไหนสะสมมันไปเยอะเลอะไรเนี่ยแล้วพอมี ถ้า ด, ดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันมีสีไหมโอ้สีของดินน้ําไฟลมต่เข้าใจว่ามันเป็นสีดำมันมีที่ไหนก็สีแกสีต่างๆแล้วเราไปกําหนดสีเองใครเป็นคนกําหนดสีดําสีขาวสีเขียวเลยใช่ไหมเราไปกําหนดเองนล้วเนี่ยมันไปต้องการปะโทนี ธ, ธาตุเป็นสีโหไปเลยเลยเนี่นิสสัตว์โลกวิผลัลกณิณรศาสการไหม <S <S โอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยเนี่ย เป็นเรื่องใหญ่งั้นศาสตร์โลกที่สตร์ที่ตัดสู้ไม่ได้ว่าวิาพิตมานักิการมตรงนี้กันแล้วเราจะไปคุยกับใครรู้เรื่องไหยรู้ <c oughs> ไม่ใช่ไ่รู้เขาไม่หลงบัญญตัติทำไมเขาไม่หลงในปรตัตมัชเขามีความเข้าใจในปรมัมมัชและบัญญัติเป็นอย่างดีแล้วก็เข้าใจสมมุติของชาวโลกและสมมุติที่จะต้องใช้แล้วก็ไม่ยึดมั่นในสมมุติอันนั้นแล้วก็เข้าใจความเป็นจริงของเขาว่ามันคืออะไรเนี่ยเขาเขาเรียนวิจัยกันอย่างนี้แหละใครศึกษาพระวิธรรมก็ต้องไปนั่งวิจัยแบบนี้นะ ถ้ามวิจัยอย่างนี้แปลว่าไม่เข้าใจสภาวะของป ร, รมัตารย์ธรรมใช่ไหมแล้วก็ไม่เข้าใจบัญญัติครับอภิธรรมไม่ได้สอนแต่ป ร, รมาจาร์อย่างเดียวมีหมวดว่าด้วยบัญญัติด้วยเพื่อจะได้ใช้บัญญัติได้ถูกว่านี้เป็นวิชมามนตบัญญัติหรือเป็นอวิชมามนตบัญญัติเป็นต้นเหล่าเนี้ยจะได้ไปเข้าใจแล้วอัธยาของบัญญัติเหล่านั้นหมายถึงอะไรไงนะอันนี้บัญญัติในเรื่องของปฐมีธาตุอาโปธาติเตโยวธาตุวาโยธาถ้าอย่าไปเข้าใจบัญญัติผิดไงให้เข้าใจว่านี่คือคือสภาวะเขาเป็นอย่างเน ใช่ไหมถ้ามันเกิดจากกรรมจากจิตจากอุตูจากอาหารั้งรู้ชัดเหตุปัจจัยเราด้วยใช่ไหมถ้าบอกว่าวันนี้เราตัวหนักเนี่ยเรายึดมั่นปัตตวีธาตุใช่ไหมปัตวีธาตุว่าเป็นเราเนี่ยนะปัตตวีธาตุที่อยู่ที่เป็นแบบว่าต้องบอกว่ายึดมั่นส่วนไหนส่วนที่เกิดจากกรรมส่วนที่เกิดจากจิตส่วนที่เกิดจากอุตูส่วนที่เกิดจะอาหารงั้นให้มันชัดตรงนั้นเออรวมๆกันใช่ไหมรวมๆกันแล้วก็อ๋อรวมๆกัน เมื่อรวมๆกันเสร็จอย่างนี่เราก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะปะัทวีธาตุบางอย่างก็เกิดจากกรรมเป็นปัจจัยบางอย่างก็เกิดจากจิตบางอย่างก็เกิดจากอุตตุบางอย่างก็เกิดจากอาหารเป็นปัจจัยแต่เราก็ไปสําคัญว่าปัทวีธาตุเหล่านั้นนั่นแหละเป็นเป็นเราเลยใช่ไหมแล้วก็เลยสําคัญแมวันนี้วันนี้กินอาหารมากหน่อยตัวหนักใช่ไหมสรุปก็คือวันนี้อวิโพก็รูป8ดนะ่ะใช่ไหม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 มันก็ก็ค่อยๆวิจัยเจาะไปเขาเขาเจาะอย่างนี้นะ่ะถามว่าถ้าไปเจริญวิปัสสนามีโอกาสเจาะแบบนี้ถ้าไม่วิจัยอย่างนี้มันก็ไม่ไม่เข้าใจหรอกเขาก็ไปวิจัยอย่างนี้แหละสุตาตัวนี้แหละที่มันจะเป็นปัจจัยแก่จินตาแล้วก็ภาวนามันจะชดัดนั้นต้องสุด ต, ตามันต้องชัดก่อนมันต้องเข้าใจด้วยฐานะของสุ ต, ตานี่ก่อนถ้าั้นภาวนามยายปัญญามันจะเกิดได้อย่างไรนะมันเกิดไม่ได้หรอก มันไม่ใช่ดนบันดาลพื่พื่ไปนั่งเพ่งเพแล้วมันเข้าใจพวขึ้นมาเลยมันไม่มีสูตรนี้ไม่มีหรอกถ้าพระพุทธเจ้าได้ถ้าพระปเจกก็ได้แต่ยังเราไม่ได้ต้องวงเล็บขีดเขาว่ามันไม่ได้วงเล็บด้วยหรือต้องขีดเขาว่านี่เราเป็นใครเนี่ยรู้ตัวก่อนก็อนเราจะเข้าเข้าบันดาลจะไม่รู้ถ้าไม่มีข้อมูลไปนั่งคิดมั่วเลยทีนี้ใช่ไหมนี่ก็ทีนี้มันมันมันจะเกี่ยวกับในเรื่องของทั้งหมดเลยเราและของที่เนื่องกับ อัตตากับอัตตนิยมอัตามคือใช่ไหมเราอัตริยะของของเรามันมีอะไรบ้างอะนาฬิกาเนะีต่อไปก็จะเริ่มรู้ยึดมันโอนาฬิกาเรือนนี้หนักแต่สําคัญปัทวีธาตว่าเป็นนาฬิกานะนาฬิกาเรือนนี้เบาใช่ไหคัญว่าปัทวีธาตานั้นเองแต่จริงความหนักและความเบาเป็นชื่อของปัทวีธาต์สำคัญว่านาฬิกานี่ร้อน ในการนี่เย็นไฟไหมทัดไฟไหมทัดไฟไหมอย่างเงี้ยจะไปสําคัญอะไรอีกย่าน้ํำสัมผัสไม่ได้ต้งรู้ดังใจอย่างเนะงี้ยนะยังถ้าท่านลมก็คือตึงไหวบอกโอ้โหใส่ตึงดียงนะอย่างเนี้ยนะมีเป็นต้นโดยสรุปก็คือว่าสัตว์ทั้งหลายก็สํำคัญมหาภูเขาเรียกว่าถ้าไปเชื่อมในสัพพาสวะสัมวารสูงใช่ไหมสัตว์ก็ไปเข้าใจเกี่ยวในเรื่องของปฐวี ไม่เข้าใจคือสัตว์ไม่ไม่เข้าใจปฐวีไม่ใจไม่เข้าใจลักขณะปฐวีไม่เข้าใจสมมติปฐวีไม่เข้าใจอะรอมันละปฐวีไม่เข้าใจสัตสัม b าร a ปฐวีเห็ไหมคือที่จริงปฐวีธาตุเนี่ยเขาแยกเป็นสี่เห็นแยกเป็นรากขนาดปฐวีกันนี่คือรางหนักแข็งและอ่อนถ้าสัสสัม b a ระปฐวีก็บอกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่ไหมนี่เป็นสัตสัม bara องค์ประกอบปฐปฐวี อารามปะนาปะวีก็ปะทวีกสินไงที่เป็เชิงปะทวีกรสินสมมุติปะทวีก็นั่นแหละออกดินหรือว่าอะไรต่างๆที่สมมุติเป็นเหล็กเอยทองแดงว่ากันไปเนี่คือสมมุติทั้งนั้นแหละเข้าใจใช่ไหมเนี่ยแค่ปะทวีในสัตว์โลกก็วิจัยกันไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้เป็นต้นเอ้าใครใครพอจะมองเห็นไหมยากไหมถ้าถ้า ถ, ถ้าไล่ไล่ไปนี้ยังเออมันมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยตรงนี้ดูมันเข้าใจเนะบางทีแต่พอเดินออกอย่างนี้ไป ข้ามาทิ น, นไงไ้ตรงนี้ต้องเราตรงนี้ก็คือว่าคือคืนนี้ในส่วนของรูปประคันนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องวิจัยค่อนข้างเยอะหมดเลยรูปประคันเนี่ยท่านก็ไล่เรียงไปทําลําดับนี่นะเพราะรูปทุกรูปเนะี่ยซึ่งก็วิจัยยากนะไม่ใช่ง่ายนะต้องค่อยๆว่ากับไล่เรียงไปเลยแหละเพราะเราไม่เคยเรียนแบบนี้เลยใช่ไหม ไม่ต้องไม่เคยมานั่งวิจัยอย่างนี้แล้วมันในชีวิตจริงเลยอ่ะอัถะตรงนี้ต้องปรากฏชัดในชีวิตจริงเนี่ยเพราะว่าบางทีมันยังไม่เข้าใจเด่นชัดเนี่ยมันยังเข้าใจแบบเบาๆามากมันผิวเผินมากอันนั้นแปลว่าสุดตามันยังเบาหิวเลยมันยังไม่ผ่านการไข้ควรในการที่อะจินตักจนชัดเจนขึ้นมาถ้ามันวุบขึ้นมาในใจชัดจริงๆเลยดิอันนี้อันนี้อันนี้ใช่แหละ ควาเข้าใจนะั่นแล้มันก็เด่นชัดเลยแล้วก็เคยผ่านการวิจัยมาหลายร้อยหลายพันรอบด้วยในปัจจุบันพบอันนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงแต่ถ้ายังเข้าใจแบบรลอยในกระดาษอยู่เนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็น่าเป็นห่วงก็ไปวิจัยกันทีแต่เจะใครที่เคยใครควรผ่านการวิจัยมามากๆเียก็ก็จะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆก็ใคิดอย่างนี้บอกว่าเหตุผลที่เรายังยึดเราลองไปมองดูดิเอาลองไปนั่ง หรือมองสิ่งอื่นก่อนก็ได้หรือมองตัวเรา่อนก็ได้นะลองมาสํมการมาพิจารณาดูผมคนเล็บฟันหนเออเอาอย่างเงี้ยนะในผมก็มีปฐวี ธ, ธาตุนะเนื่อเราสําคัญว่าเป็นผมบางทั้งก็คือธาตุดินอย่างเงี้ยให้ธาตุดินเหล่านี้เกิดจะคคำจากจิตจากอุตูจากกระหานในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นเราก็อยู่กับเข้ามาแต่เราไม่เคยวิจัยก็เลยซึ่งหนักไปกว่า น, นั้นก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราบางครั้งก็สมมติว่าเป็นน้องบางเป็นพี่บ้างเป็นพ่อบ้างเป็นแม่บ้าง เป็นสามีบางเป็นภรรยาเป็นลูกไหมเป็นญาติสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือดินน้าไฟลมงไอ้ดินน้ําไฟลมต่างๆเหล่านี้แล้วเราให้สังเกตสิถ้าเรามองดินน้ําไฟลมอนี้เราสึกหืมเราประทับใจเหลือเถ้ามองดินน้ําไฟลมนี้รู้สึกไม่ค่อยขัดเคืองเหลือเกินดินน้ําไฟลมที่สมมุติเป็นนี้รู้สึกเราเฉยเฉยดินน้ําไฟลมนี้รู้สึกว่าเราเรารู้สึกแหมดีมีความสุขอะไรเงี้ยนะมันจะต่างกันนะมองดินน้ําไฟลม กลุ่มนี้มันเด็ดเฉยๆกลุ่มนี้รู้สึกสดชื่นอะไรอย่างเนี่ยนะเห็นไหมมันจะนั่นคำว่าเราเนี่ยมันเข้าไปนั่นเกี่ยวข้องกับเราหมดเลยเอมันจะเห็นว่ายังหนาแน่นเลยใช่ไหมที่เรายังไม่ได้วิจัยอารมณ์เหล่านี้ยังอีกเยอะเลยอะ่ะสรุปให้เห็นชัดตรงนี้ก็คือว่าสัมมาทิฏฐิยังไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลยแต่มิจฉาทิฏฐิเขาทํางานมาอย่างยาวนานแลนะ้วเนสังเสาระวังนี้ถามว่าตั้งแต่เราพอไภัวยที่ว่าตั้งทันเนี่ย เราก็วิปลาดมนักิการตั้งแต่อยู่ในเด็กอยู่ในคันของเราท่านทั้งหลายได้ไหมดินน้ำใปลมที่มันกําลังเจริญเติบโตมาเราก็สําคัญว่าเป็นรูปเป็นลูกเป็นลูปเป็นลูเปลเราท่องวันหนึ่งเป็นล้านครั้งเราเรียนรู้ด้วยมิจฉาทิถีหมดเลยแล้วมันไม่ยึดได้ไงอตานอัตวารุปปาฐานมันยึดหมดทุกจุดเลยแทบจะนับเส้นขนรูปได้เลยใช่ไหมทั้งอาบน้ําให้ทั้งตัดผมทั้งป้อนข้าว ทั้งอะไรต่างๆเห็นก็หัวเราะก็หัวเราะกับเขาเห็นเขาร้องไห้ก็ร้องไห้กับเขาเห็นเขาสุกก็สุกกับเขาเห็นเขาทบก็ทบกับเขามันแทาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปแล้วปัทวีธาตุกับเราวันนี้ขนาดภายนอกเลยนะเอาปัทวีธาตุภายนอกเลยนะไม่ต้องเป็นปัวีธาตุภายในวันนี้เราตัวหนักเราตัวเบาหรอกวันนี้กายลูกเราหนักลูกเราเบาใช่ไหมเนี่ยแล้วบางทีเราก็ไปยึดมั่นปัวีธาตุของลูก บางครั้งก็ยึดมั่นอาโปธาตุของลูกบางครั้งก็ไปยึดมั่นเตโชธาตุของลูกบางทีก็ไปยึดมั่นวาโยธาตุของลูกบางทีก็ยึดมั่นจักรุปส萨ตโสตาปป萨ตคณะป萨ตชิวหาประ萨ตกายประป萨ตใช่ไหมแล้วก็ชิวหาปาตบางทีก็ยึดมั่นอะไรเยอะหมดใช่ไหมสรุปก็คือเรายึดมั่นรูปยีดรูปยี่ของเขาแล้วของเราไม่ต้องพูดถึงยึดมาอย่างยาวนานและวนี้ทั้งๆที่มันเป็นกระแสของขันธาตุญานะแท้ แต่เราก็ไม่เคยเห็นด้วยความเป็นกระแสของขันธะละเอียดนะใช่ไหมเนี่ยมันมันเป็นอย่างเนี้ยนี่คือวิปริลมณสิการของสัตว์โลกเขาเรียกว่าสัญญาก็วิปปาราทิถีก็วิปปาราจิตะก็วิปปาราใช่ไหมวิปปาราสามเนี่ยมันก็คูณกับสี่เห็นว่างามเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าสุขเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็เลยออกมาเยอะเลยเป็นสิบสองเลยไหมวิปปาราจึงเลยมีสิบสองเลย มันเชื่อมโยงกันอย่างนี้นั้นวิปริตมนาสิกานก็เกิดกษัตริย์แบบเนี้อันนี้ถ้ามองรูปนี้พองจะพองก็จะกระจายได้อย่าง ก, ก, กว้างๆได้ใช่ไหมถ้าเจาะในรายละเอียดก็จะจะเริ่มเริ่มค่อยๆทะลุทะ ล, ลวงไปนั้นก็เหมือนกับเราค่อยๆแทงไปค่อยๆเจาะไปมุมนี้เมได้ก็เจาะอีกมุมนึงเจาะไปเรื่อยๆเยนี่ยเราก็เข้าใจาเพราะเราฟังว่าทําไปเสร็จก็ไปเจาะไปไข่ควรไปวิจารณาไปวิจัยให้มันชัดให้มันเด่นขึ้นมา มันก็จะได้เห็นชัดเจนขึ้นมาอ๋อเป็นอย่างนี้เองนั่นพราธรมที่พระเจ้ทาทรงตรัสรู้นั้นลึกทีใช่หมพระศาสตร์โลกนั้นไม่เคยคิดมุมนี้หรือคิดน้อยมากในปริมาณในสังสารวัตที่ผ่านมาเราได้แต่เรียนรู้เรื่องอื่นมันถึงชนานาญเรื่องอื่นเยอะกว่าเรื่องนี้นั่นนะเราก็มีความเข้าใจแล้วก็ถูกท้าทผมได้พบชาติมันก็เคลื่อนคาดเคลื่อนไปแล้วก็กลับมาเจาะกันใหม่เนี่ยทีนี้พอจะเจาะมากๆก็ไม่ได้เลยถึงหนักเ้นเนี่ย เขจะพดเข้าไปจริงๆป้อป้อปอเข้าไปลองดูสิอลองสมมุตินะาม า, ามาไม่พูดตัวอย่าง อ, อื่นประกอบแล้วไล่เข้าไปจริงๆเลยเนี่ยจะนั่งหน้าแดงตาดํากันบอกชักไม่เอาแล้วมันจะยอมแพ้อยู่เลยเลยนะีนยใช่ไห ม, มจะยอมแพ้โอไม่เอาแล้วน่ถ้าเจาะเข้าไปมากกว่า น, นี้จะไม่เอานี่นี่ผ่านได้อย่างรวดต่อมาก็คือเวทนาเมื่อพูดว่าเราเคยบริโภคสิ่งนี้บริโภคอยู่ในวันนี้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 เห็นว่าเรานี่มีเวทนาไปหมดแล้วเมื่อพูดว่าวันนี้ความสุขเกิดในตัวเราหรือความทุกข์เกิดขึ้นในตัวเราชี้ว่าเห็นเวทนาในอะไรเออในอัตตาหรือ ใ, ในเราวันนี้เราตั้งอยู่ในความสุขวันนี้เราตั้งอยู่ในความทุกข์นี่เห็นอัตตาในเวทนาใช่ไหมตรงนี้ก็ไล่ไปยากไหมเรื่องเวทนาเอาสิเวทนาเนี่ยยากเลยเอา้าวบริโภคอาหารนี่ยัง บริโภคแล้วเนาะแล้วจับบริโภคต่อไหมจับบริโภคไหมเพราะในกระดาษตอนบริโภคเราเป็นสุขไหมเีือดเราเป็นสุขใช่ไหมบริโภคแล้วเหมือนมีตรความสุโอ้เราเป็นสุขแล้วเกินอิ่มแล้วถามว่าเราตัวนั้นเป็นอัตตาถ้าไปเข้าใจว่าอัตตาเป็นสุขไปเข้าใจว่าอัตตามันเป็นเวทนาเราเป็นเวทนาไปะแล้วเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์ชื่อว่าเห็นเวทนาว่าเป็น เป็นเวทนาเป็นเราไปซะแล้วใช่ไห่ไปเข้าใจว่าเวทนาเป็นเราสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็ดีที่มันเกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารนั้นน่ะสุขหรือทุกข์กันนั้นน่ะตัวสุขตัวทุกข์กันนั้นมันใช่เราไหมมันตัวเวทนาแต่เราทําไมไปสําคัญว่าเราสุขเราทุกข์ใช่ไหมเช่นยังไม่ได้กินอาหารมันทุกข์ใช่ไหมวันนี้ทุกข์เราทุกข์แล้วเกินเนี่ยไม่ได้กินอาหารเหมือนกันไปเข้าใจว่าไอ้ตัวเวทนามันเป็น เป็นเราไปซะแล้วเป็นอัตตาไปซะแล้วเป็นตัวเป็นตนไปซะแล้วนี่เขาเรียกเข้าใจเวทนาว่าเป็นตัวเป็นตนนี่ก็เราไปวิจัยเรื่องอื่นๆอยู่ที่เวลามีใครพูดชมโอ้โหเราสุขมากใช่ไหมไอตัวเวทนามันทำมันได้ปัจจัยมันก็เกิดขึ้นพอหมดปัจจัยมันดับไหมเราไปเข้าใจว่าเราสุขเพราะคําพูดคนนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เราทกเพราะคนคนนี้ยแท้จริงเวทนานี่ยมันได้ปัจจัย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 ใครสบายเขาเวทนาบอกเขาเวทนาอะไรสักปะใช่ไหมสุขเขาเวทนาเขาเกิดว่าได้ปัจจัยได้เหตดปัจจัยได้อุตุที่เป็นสปายะเมื่อทีพูดไม่มีเรายังเราเอาเราไปใส่ใช่ไมันเป็นชีวิตจริงไหมเนี่ยชีวิตจริงใช่ไหมแต่แต่ก็ไม่ได้ไปนั่นปรุงแต่งนั่งจิดแต่จริงๆตรงนี้แหละมิจฉาทิถีมันก็ได้ปัจจัยเหล่านี้ยมันก็วิ่งกินอารมณ์เหล่าเนี้ยก็สําคัญผิด แล้วก็ทําให้สัตว์นั้ น, นยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ถูกเที่ เ, เบื้องต้นคือตัวนี้ไอ้ น, นี่คือสัตว์โลกเป็นกันหมดเลยสักยะทิถีนี่เป็นทิถีพื้นฐานของสัตว์เลยแล้วถ้ายังมีสักยะทิถีตรงเนี้ยอยู่กรรมมันก็ให้ผลอยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวนี้เป็นสายล่อฟ้าเป็นสายล่อกรรมให้ที่จะปลิกวิบากให้ผลเลยเนี่ยถอด ต, ตัวนี้ออกไม่ได้ตัวนี้ต้องใช้คีมคือโซดาปฏิมาถึงจะถอดไอ้ความเข้าใจตรงนี้ออกนะความสําคัญว่าเราต่งางต่างเนื่อง อัตตาตัวนี้มันหายไปอัตตาอัตตาตัวนีน้อัตอตา ต, ตัวนี้แปลว่าเราใช่ไหมสาคัญว่าเราไอตัวเข้าไปสวยอารมณ์นั่นเลยไอตัวนี้มันไอตัวอัตตาดิเลยเป็นสำคัญไอตัวเวทนากับอัตตาเหมือนเดียวกันเลยแล้วทั้งที่เวทนาก็คือเวท น, นาขันเท่านั้นเองรูปขันก็คือรูปขันสัญญาขันก็คือสัญญาขันสังขารขันก็คือสังขารขันวิญญาณขันก็คือวิญญาณขันไม่ใช่อัตตาแต่ศัตร์โลกไปวิปริตมนุษย์การไปเข้าใจเป็นอัตตาไปหมดแล้ว บางครั้งก็ไปเข้าใจตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิยายนี่มันอยู่ในอัตตานี่บางทีบางครั้งก็ไปเข้าใจอัตตาอยู่ในเวทนาบางครั้งก็เข้าใจว่าอัตตาตัวนี้แบกรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยันไว้ใช่ไหมมันไปเข้าใจอย่างนั้นก็เลยว่าอยกราเราสุขเราทุกข์ขึมาเลยเราหนักเราเบาขึ้นมาแล้วทนี้เราตั้งอยู่อัตตาไปตั้งอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารนิยาบางทีก็ไปเข้าใจพลิกกับเลยแต่เข้าใจรูปเวทนามันตั้งอยู่เนี่ยมัน ทีเราก็ไปมันหาไม่เจอจริงๆนะไม่รู้จะไปแกะไปไปยังไงเพราะเป็นสภาวัฒน์อย่างหนึ่งเท่านั้นเองมีเหตุปัจจัยมันเกิดน้ำหมดเหตุปัจจัยตจริงๆเนี้ยก็อย่างเงี้ยเปิดพัดลมเนี้ยตอนนี้เออเวทนายัางบ อ, อยู่ทนหน่อยใช่ไหมลองปิดขึ้นมาดีใช่ไหมก็คือก็คือตรงนี้ถ้าตามสูตรเขามีอยู่แล้วใช่ไหมถ้าถ้าถ้าตรง น, นี้มันก็มีสูตรขึ้นก้าอยู่แล้ว อาศัยตาและโลกเกิดจากกุญญาณการประชุมท่องทำสา3การเป็นภาษาทภาษาเป็นปัจเกเวทนามันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมมันก็มาตามสูตรของเราอยู่แล้วตรงนี้เวทนามาจากปัจจัยไงมาจากภาษาไงแต่ปภาษาสายไหนล่ะสายทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจใช่ไหมถ้าทวารหูในที่พูดเนี้ยอันในเสียงเนี้ยอาศัยอะไรโซตปัสสาวะสัทธาลมโสตวิญญาณทำสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาเวทนาก็เกิด ถ้าเสียงนี้เราไปยึดมั่นว่าอย่างนี้ถูกใจกับสุขเวทนาถ้าไม่ถูกใจเป็นทุกขเวทนาถ้าฟังบ่อยๆเป็นอุเบกขาอย่างเงี้ยมันก็เป็นอยู่แต่มันไม่หยุดแค่เวทนานะตัณหาตามมาอย่างไงนะแล้วทิฏฐิก็เข้าไปยึดเลยนะเพราะตัณหาเกิดไปยินดีหรือไม่ยินยินดีหรือไม่ยินดีออต่างกันเลวแต่ทิฏฐิก็ไปยึดอ๋อนี่นะก็ไปยึดมั่นในเสียงไปยึดมั่นในรูปที่อีกในกลิ่นในรสในสัมผัสซะอีก เห็นมมันมันมันเป็นอย่างนี้เวทนาเวทนาเนี่ยจริงๆพระพุทธเจ้าจึงมากล่าวในเรื่องของเวทนานุปัสนาเลยสําคัญขนาดนั้นเพราะเป็นช่องทางให้กษัตริย์นั้นบรรลุได้ด้วยเพราะมันชัดเลยมากเห็นไหมเทวดาทั้งหลายพระเจ้าจะสอนสายเวทนาหดยส่วเพราะว่าเทวดาเหล่านั้นนามธรรมทํานปรากฏค่อนข้างชัดกระทาโดยเฉพาะธงมนัสเวทนานี่โอ้ปรากฏชัดมาถามว่าพวกเราชัดไหมล่ะธงมนัสเนี่ยชัดปรากฏชัดกษัตริย์ลู้เนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือว่า ถามว่ามีไหมวันหนึ่งหนึ่งไม่มีเวรานาเกิดแล้วเกิดมากด้วยไหมเกิดมากแล้วความสําคัญถูกมากหรือความสําคัญผิดเกิดมากเห็นไหมเราจะมีความสําคัญในเวรน า, าว่าเป็นเราเนี่ยมันจะมีความสําคัญอยู่ตลอดเวลาว่า <c oughs> บางทีเนี่ยไปสําคัญกายว่าเป็นสุขเป็นทุกข์บางทีก็เป็นสำคัญจิตว่าเป็นสุขเป็นทุกข์บางครั้งก็ไปสําคัญว่า เกี่ยวกับในเรื่องของว่าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยนะเห็นเวทนาแนตาเขบอกว่าวันนี้เราตั้งอยู่ในความสุขวันนี้เราตั้งอยู่ในความทุกข์นั้นชื่อว่าเห็นอัตตาในเวทนาเราเนี่ตั้งอยู่ในความสุขและความทุกข์ถ้าเห็นบอกว่าความสุขความทุกข์ตั้งอยู่ในเราเนี่ยเห็นยังไงเห็นอะไรความสุขความทุกข์ตั้งอยู่ในเราไปเห็นเห็นยังไงความสุขความทุกข์นี่ตั้งอยู่ในเราเนี่ยเห็นว่ายังไง วันนี้ความสุขเกิดในเราหรือความทุกข์เกิดในเราชื่อว่าเห็นอะไรเห็นเวทนาในในเราเห็นเวทนาในเราเห็นเวทนาในเราหรือเวทนาในอัตตาเนี่ยี่เห็นเวทนาในอัตตานี่ยนี่อัตตานี่ดีไหมเขาเรียกอัตตาทิฏฐิทิฏฐิเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าเป็นเราเนี่ยตรงเนี้ยเขายจะยากนะใช่ไหมยาก แต่จริงๆก็ไม่ยากหรอกเพราะจริงๆเรามันเห็นอย่างนี้อยู่แล้วพอพูดตรงเนี้มันพูดตัวเขาแล้วเราก็เห็นแบบนี้จริงๆเราต้องยอมรับว่าเราเห็นแบบนี้ถ้าเห็นแบบนี้เขาเรียกสมมาทิติหรือมิจฉาทิติเห็นไหมมิจฉาทิติสรุปแล้วเราเป็นมิจฉาทิฐิโดยสมบูรณ์สมบูรณ์แบบใช่ไหมแต่ตอนนี้เราต้องการจะเข้าใจเขาแล้วจะได้พยายามลักเขาเอาอะไรไปเข้าใจเอาสมมาทิติไปเข้าใจ เอาอะไรไปพยายามละเอาสมาวยมาร์ไปละเอาอะไรไประลึกในการที่ละเอาสติเข้าไปรลึกในการละล ะ, ละก็ใช้3มตัวนี่แหละใช้สมาธิทิฏฐิสมาวยมาร์สมาสติเพื่อจะไปแวดล้อมสมาธิิขยายวงของสมาธิิให้มากขึ้นสมาธิิเจาะมุมไหนได้ก่อนเจาะมุมนั้นแล้วก็ขยายมุมของสมาธิให้กว้างขึ้นให้กว้างขึ้นเข้าใจใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ มิจฉาทิฏฐิมันพอจะเปิดช่องให้สมาธิทิฏฐิเข้าไปแทรกได้บ้างไหมอ่ะมันแทรกตรงไหนไว้ได้แล้วก็ยึดพื้นที่แปลว่าเรากินพื้นที่นี้ได้เช่นยกตัวอย่างเช่นปะตุวีธาเนี่ยเช่นเวนนาขันเนี่ยเราพอจะรู้แล้วก็ก็ยึดยึดตัวปัญญาเนี่ยเข้าไปยึดว่าท่านเรียกยึดเหมือนกันนะท่านเรียกยึดเหมือนกันนะตัวปัญญาบางอย่างแต่ยึดโดยฐานะไปเข้าใจ เขเหมือนกับการชิงพื้นที่ก็ว่าชิงความตรงนี้เราเข้าใจแล้วใช่ไหมตัวเวทนาตรงนี้้คําว่าเราสุขเราทุกข์เราตั้งอยู่ในสุขเราตั้งอยู่ในทุกข์ความสุขความทุกข์ไปตั้งอยู่ในเราเนี่ยเริ่มจะเข้าใจตรงนี้แล้วเรากินอาหารเลยนะเราบริโภคอาหารเราจะกินอาหารเราเคยกินอาหารแล้วเราเคยสุขเรากําลังสุขเราจาัดสุขเราจะทุกข์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมามันเกี่ยวข้องกับเวทนาใช่ไหมกับอัตตา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 บางทีเราไปบางครั้งเราไปเข้าใจเป็นอันเดียวกันเลยบางทีเราก็แยกได้ด้วยแต่ก็ยังสําคัญว่ามีอัตตาอยู่นั่นแหละมีอัตตาอยู่นั่นแหละเช่นถ้าถามบอกว่าพอเวทันพอสุกเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยต้องถามลึกๆดูทีเราจะบอกว่าเราสุกไหมเราสุกใช่ไหมเราจะต้องพิจารณาเวทนาเพื่อให้อัตตาเนี่ยมันสลายใช่ไหมไม่ใช่เอาอัตตาตั้งครั้งนั้คือครั้งแรกสี่พิจารณาไม่ถูกคือไม่ใช่เราหยิบตัวอัตตามาแล้วก็มาดู จริงๆก็ต้องวิจัยเวทนาหรือวิจัยปัตตวีธาหรือวิจัยรูกวิจัยให้ของแผ้แล้วเราก็จะไม่มีอากา้ตัวเวทนาไม่มีอากรตัวลูกจริงๆก็ต้องหยิบตัวสัาว่าทำขึ้นมาตั้งหรือวิจารณ์ไม่ใช่เอาตัวตาขึ้นมาตั้งทีนะครั้งแรกไม่เข้าใจอันนี้เอาตัวตาขึ้นมาตั้งก็เลยไปต่อไป่ถูกทีน่ะก็เพราะถ้าเราตัวตาตั้งว่าเราแล้วก็ที่ไปหาตัวโย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 ตัวมิจฉาทิฐิก็มาหล่อหลอมเราซะจนเป็นตัวขึ้นมาจนได้เลยใช่ไหมมาหล่อหลอมจนแน่นหมดแล้วว่ามันมีอยู่จริงๆเนี่ยอัตตาตัวเนี้แล้วมันยังไม่ได้กระจายเลยตัวนี้ยเขาจึงบอกว่าสมมาทิถิเอามิจฉาทิถิมาวิจัยเอาตัวมิจฉาทิถิมาวิจัยเลยว่าวิจัยแบบไหนลักษณะรักษาปฏิบัตฐานประัดฐานของมิจฉาทิฐิไปดูที่ตัวมิจฉาทิฐิเนี่ยมีลักษณะอย่างไร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 ความเห็นไม่ใช่ตามความเป็นจริงเห็นที่คลาดเคลื่อนเพราะเชื่อมั่นอย่างผิดๆว่าสิ่งนั้นตท่านั้นจริงสิ่งนี้เปล่าทิฏฐีเนี่ยตรงกันข้ามกับปัญญาปัญญานั้นคือรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงอยู่นะแต่ทิฏฐีนั้นน่ยละสภาวะธรรม ท, ที่ที่เป็นจริงก็มายึดในสภาวะที่มันไม่จริงใช่ไหมไปยึดเพราะสภาพของไอตัวมิจฉาทิฏฐีเนี่ยเขาละสภาวะที่เป็นจริง แล้วก็กลับไปยึดเอาโดยสภาพที่มันไม่มีอยู่จริงว่าเป็นจริงอภิชาติถีเป็นอย่างนี้เขาถึงบอกว่าอโยนิโสอภินิเวสารักชนามีความยึดมั่นโดยหาปัญญาไม่ได้เป็นลักษณะแล้วนายพลมิชาติถีเนี่ยเขายึดมั่นไปยึดมั่นอะไรดียึดมั่นรูปยึดมั่นเวทนายึดมั่นสัญญายึดมั่นสังขารยึดมั่นวิญญาณยึดมั่นรูปยังไงเช่นยึดมั่นปฐวีธาตุว่าเป็น เราใช่ไหมและคําว่าปรมาสารามีความถือผิดจากสภาวธรรมอ่ะเขาจะถือผิดทันทีเขาถือผิดว่ามันไปสําคัญว่ามันมีอยู่จริงใช่ไหมคำว่าเราน่ยมันมีอยู่จริงเช่นคําว่าเราหนักเราเบานมันมีอยู่จริงความหนักอยู่ในเราความเบาอยู่ในเราเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเราอยู่ในความหนักเราอยู่ในความเบาเนี่ยมีอยู่จริงอย่างนี้นะไปสําคัญอย่างเงี้ยไอตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัว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 อีกอย่างนึงผลปรากฏเป็นยังไงมีการยึดถือมีการยึดถือความเห็นที่ผิดนี่ชัดแล้วเช่นยึดถืออะไรเห็นผิดชัดๆก็คือว่าผมเราขนเราเล็บเราฟันหนังเป็นเป็นเราเลยมันถือผิดมไหมมันถือผิดเลยแล้วก็ท่านบอกว่าอาริยอย่างอทัสนากรรมตาตตาตไม่ปราถนาเห็นพราริยะไม่ปราถนาฟังว่าทรหลวงพาิยะวิชาที่จริงไม่เอา ไม่ปราถนาจะฟังไม่ปราถนาจะเห็นเขาไม่ปราถนาเนี่ยเขาไม่ปราถนาหรอกเขาไม่ปราถนานทีนี้อยี่าทุกวันให้สังเกตดูนะว่าขนาดเรามาฟังอย่างเนี้บางทีมันดิ้นล้นมากเลยอย่าแปลกใจนะว่าเร า, เราหยุดฟังแล้วเราไปเราไปลองไปคุยเรื่องอื่นโล่งเบา มันจะรู้สึกมันสะดวกใจขึ้นมาเยอะแล้วไม่ค่อยน้าอื่นอ่านหรอกนี่แปลเข้าใจย่างศาตร์โลกมันอยู่กับมิชาทีทีแล้วไปบอกเขาตรงๆไม่ได้ว่าอย่โกรธเรานี่เรามาคุยกันแบบนี้ก็เออถือว่าจะมามันเป็นอย่างนี้อาการมันจะดิ้นรนมากเวลาถ้าไปเรียนแบบให้อาหารมันมันอยากเรียนเนี่ยเช่นเรียนแล้วสนุกสนานกันไปวันๆเนี่ยมชอบเพราะอย่างนั้นเราเรียนแล้วเขาไม่เดือดร้อน พอเรียนแล้วไม่ได้กระจายตัวเขานี่แต่ถ้าไปจะกระจายหรือจะไปเล่นตำแหน่งของเขาจะไปเล่นงานเขาเนี่ยเขาเดือดร้อนมากเขาจะบอกว่ากิดมากทุล่ามากขึ้นมาเลย <c oughs> เขาไม่เอารอง <c oughs> เขาย้ายยันเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> เขาไม่ปราถนาจะเห็น <c oughs> เขาไม่ปราถนาจะฟังและไม่ปราถนาจะรู้เรื่องรู้เรื่องอะไรถามว่มามิจฉาทิถีเขาโง่ไหม ฉะนั้นถ้าหากว่าไปเรียนเรื่องอาวุธที่จะไปทําลายเขาเนี่ยเขาอยากเรียนไหมเขาไม่อยากเรียนหรอกเขาสอนพระเจ้ญญาเข<อ>าใช่ไหมอาวุธที่กลับไปทําลายเขาอ่ะเขาไม่อยากเรียนฉนั้นเขาก็หาอุบายอย่างตลอดเวลาเขาหาอุบายตลอดเวลาเขาเดือดร้อนมากเวลามาพูดเรื่องแบบนี้แต่เขาก็เขาก็รู้จากเราอยู่แล้วมันต้มท่ากันอย่างนี้นเนีลย เข้าใจไหมมันเดือดร้อนมากอาจารยวิจารที่ดีเพราะมาเรียนเรื่องที่จะไปเล่นงานเขาเขามานั่งทนบังไหมไหวไหมเขายังกัดโดนน้ำมนเลยก็ เ, เห็นคนหีเข้าไหมแล้วก็โดนน้ำมนไหมมันดินนด้นไหมดิ้นเลยมแล้วมันไม่อยากออกมันอยาก ย, ายึดอยู่อย่างนี้ยนี่เหมือนการวิปัสสนาเลยก็กลัวไหม เหมือนกับน้ามนต์ไล่ผีเลยวิปัสนาเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยชอบงั้นยิ่งจะมีปัญญามาเจาะฐานก็อย่างนี้แปลว่านี่เนี่ยคนเจ้าจะรู้เรามากแล้วนะก็งั้นเขาไม่ค่อยยอมหรอกคนคนนี้เจ้จะรู้เขามากแล้วรู้แม้ลักษณะรักษปะปัจุบันพระธาตุธรรมของเขานี่แปลว่าคุณรู้หนักไปแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนี้รู้รู้ถือว่ารู้มากไปเนี่ยไม่ดีที่ถิไม่ชอบและและเดี๋ยวเขาจะทำให้เราลืม ใช่ไหมทำให้เราไปยึดอย่างอื่นติดต่อตรงนี้เขาถึงบอกว่าสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ไม่ดีสัมมาวยามารสมาสติไม่ใช่เขาไม่ ด, ไมไมดีไม่ใช่เขาไม่แข็งแรงก็ขแข็งแรงเขาดีมากแต่เขาขาดปัจจัยเขาขาดอาหารสามตัวเนี่ยลองทําให้แข็งแรงดูเดี๋ยวกระจุยมาแรงวิญญาณทิฏฐิเนี่ยไม่มีรอดหรอก ทําสมาธิติดสมาวายมะสมาสติเนี่ยเอาไปร้องสมาธิเขาไว้ขยายวงวงสมาธิมติมากๆแล้วก็วิจัยไปเรื่อยๆถ้าสมาธิติดสมาวายมะสมาสติแข็งแรงเมื่อไหร่เนี่ยเข้าใจอย่างนเดี๋ยวนี้ทีนี้ถามว่าเราจะทำยังไงยังไงเราจะทํายังไงกรณีอย่างนี้เราลองยกตัวอย่างหน่อยที่ว่าเรารู้ว่าอายนิโสอภินิเวสรารคนาเนี่ยมีการยึดมั่น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 ไม่เขาไปยึดยังไงว่าเป็นเราเลยไปยึดว่ารูปนี้เป็นเราไปเลยหรือยึดยึดถ้ารูปเป็นเราอย่างเดียวไม่พอเนี่ยเอาเราอยู่ในรูปก็อีกเอารูปอยู่ในเราเข้ามาอีกนะอย่างเงี้ยยึดซะเยอะแย่หมดเลยตอนเนี้ยคือว่าอารมณ์ทุกอารมณ์มุมทุกมุมเนี่ยเขายึดไว้หมดสมมติว่าเออเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นไปละได้ละอะไรไปยกตัวอย่างเช่นว่าในปัทวีย์ไปไปละในส่วนของในรูปดีกว่านี้ในในรูปประคัมที่บอกเรามีรูปเนี่ยเข้าใจว่ารูปรูปกับร่างกายเป็นคนละอันเออไม่ใช่รูปรูปรูปเป็นเราเราเป็นรูปกไปเข้าใจว่ารูปนี้นะเข้าใจรูปนี้เนะ ว่าปัทวีธาตุเพรางั้นจะเข้าใจปัปทวีธาตุเป็นเดียวกันเราพอไปเข้าใจยินเ่จะไปพูดถึงปัทวีธาตุก็พูดถึงเราใช่ไหมก็คือเราไอเราคือปัทวีธาตุนั่นเดียวกันนี่แหละงั้นถ้าถ้าปัทวีธาตุอยู่มีอยู่ในผมใช่ไหมถ้าใครถอนผมเราก็ชื่อว่าถอนเราด้วยใช่ถ้าใครตัดผมเราก็ชื่อตัดเราไปด้วยอย่างเงี้ยนะ เคยเห็นบงคนเขาบอกว่าเขาเขาจะทิ้งกันแล้วเขาไปตัดผมเคยเห็นเลยนะเขาไปตัดผมเขาบอกถือว่าเป็นเป็นนี้หมายว่าตัดกันทิ้งแล้วว่าตัดขาดแล้วคือตัดมอคุยอะไรมาฟังก็วันนี้เขาเขาเขาาตัดผมมาายังไม่หมดต้องโคนตัดจริงตัดจริงต้องโกรนะถ้าอย่างนี้แล้วแล้วคนเราดีเชื่อนะ นิพระใหม่เขาเขาจะสึกะครับเฮ้ยทำงม่ใหาสึกดีเฮ้ท่านโกลนผมที่มาทาไมเนี่โกลนหนาอายเขาดิว่าให้ผมยาวๆไม่ออกไปก็ดีแล้วอยู่แล้วของอยู่ในบ้านก็หนามาออกไปข้างนอกโกนแก่นี้เขาเขาเขาเชื่อแล้วเพราะโกลนพราะโกนจะสร้างงอกไม่ออกไม่ได้ตอนนี้หน้าอายก็อยู่ดูดีนะครันีโกลนเรา ด้่ยความที่เขากลัวว่าจะโชคร้ายสำคัญกันหน่ยนะนะยไอ้ดวงวิชาพิธีเนี่ยนะบอกโอ้โห oh. บางคนนี่ก็นหนะ่อยลองลองบอกดนะ้ก่อนจะออกจากวัดถอยหลังส oh. ามก้าเพราจะต้องทํำพธิธีนี่แหละมันหลงกันหน่อนั่นเลยนะใช oh. ่ไหมความยึดมั่นเต็มไปหมดเลยยึดมั่นเต็มไปหม ด, ด, มมมหมดงั้นตรงนี้ก็ ตรงนี้ก็ได้ได้ความแล้วนะตรงนี้ยนะได้ความในกรณีนี้แต่จริงๆยังหลายๆท่านก็ยังงงอยู่เนี่ยเนงงไหมลองแสดงทัศนะหน่อยงงไหมงงไหมมาเขาจะอธิบายหน่อยเอาเวทนาเนี่ยยังไม่อธิบายเวทนาอย่างนยังมีรองอธิบายดอาเวทนายกตัวอย่างสัก ก็เราเาดหัวนกอเป็น hmm. สีเดียวต่ตัวเรา่่ตัวเราไอไอทุกาที่เกิดขึ้นาทางยปาานี้เป็นาเราดด่ อยู่ในอะไรนะเราอยู่ในหัวที่เราปวัเราเป็นเษตรเราดหัวนนี้ความปวดหัวเนี่ยเป็นของเรา เรามีเรียนานด้นที่สก็คือเราเรีนงานอยู่ในลำน้ำและอันที่สี่ก็คือเราอยู่ในเวทนาถ้าถ้าเอาถึงตัวหนักตัวเบาอันจะได้เวลาเราไม่สบายมากมาลุก่ขึ้นเนี่ยเราจะไปรู้สึกว่าความหนักเนี่ยมันทับเราเราอูนความหนักทั้งหมดเนี่ยรู้เลยแต่ว่ามันมีเราขึ้นมาขนาดนั้นเลย อันนี้ที่สี่นะสีเข้าใจตรงนี้แล้วแต่สี่จากตอนแรกยังสงสัยจนว่าเราจะพิจารณาอย่างไงให้ลุจกจะตรง น, นี้ไปได้ น, นี่สีเข้าใจอ่าบอกว่าวันนี้ยเข้าใจแล้วเข้าใจยังไงเข้าใจที่อย่างที่สี่บอกว่าเราจะพิจารณาให้เราหลุดหลุดจากความเป็นเราอ่ะให้ให้ไม่ใช่เราอ่ะให้ก็เราก็ต้องพิจารณาตัวสภาวะ ท, าที่มันเป็นคู่กันเพราะอย่างว่า เรามีลูกใช่ไหมเราต้องพิจารณาในตัวรูกอย่างนี้ว่าเราหนักเราก็ต้องพิจารณาความหนักถ้าเราเข้าใจความหนักคือสภาวะทำความหนักเท่างหายแล้วเนี่ยตัวเราก็จะไม่มีมันก็จะหากไปความหนักคืออะไรความหนักก็คือถ้าหากเราจะพิจารณาในว่าความเป็นอดีความเป็นหนักก็ในตัวปัตตบีนะหรือเราจะพิจารณาโดยเป็นสภาวะหรือว่าโดยเป็นเป็นอ่าโดยการเป็นผมคนเรียบวัน ได้เนี่ยแต่แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงความหนักเราก็รู้สึกว่าเวลาเราตัวหนักเราก็รู้ว่าไม่ใช่ว่าเราตัวหนักแต่ความหนักเนี่ยมันเกิดจากเคล็ดอะไรเนี่ยถ้าเราเข้าใจตัวความหนักแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราก็จะหายไปแต่ถ้าพิจารณาถึงเวทนาเหมือนกันอย่างเนี้ยเมื่อกี้ขณะที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยทุถ้าเรารู้ว่าที่เราทุบเพราะว่าเราเราเทเขาเนี่ยเพราะว่า กายเราเนี่ยมันมาถูกสัมผัอยู่กับเก้าอี้แล้วนั่งอยู่นานๆทุกเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นไม่ใช่เราทุกเนียตัวเรามันจะหายเนี่ยนี่คือเราเข้าใจมารพิจารณาอย่างนี้เมื่อก่อนเราจะพิจารณาว่าตัวเราก่อนอ่ะเรามันก็ต้องเรออาดิ้นนั่นแหละวมาันไปไหนเนก็มันเรา่ะคือขึ้นต้นด้วเราแลวมันไปไม่ถูกเลยอ่ะจริงๆต้องพิจารณาตัวชาววัฒนธรรมไม่ใช่พิจารณาตัวเราคือคือตัวเวทนานเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่ง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 เลยนะโทสะนั่นเองเป็นผู้กลัวเพราะโทสะมันได้กฏิคฆะนิมิตได้อารมณ์ที่ไม่น่าเชยินดีไม่น่าชอบใจมันก็อยากจะหนีอยากจะผลากจากอารมณ์นั้นแท้ที่จริงก็คือตัวโทมนนัดเวทนามันเกิดร่วมกับโทสะเจตสิกก็มีสัญญาเกิดร่วมนีนะตัวโทสะเป็นสังขารตัวเวทนาเป็นเวทนาขัน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 พิให้ให้่องแพ้แล้วเนี่ยตัวเราไม่มีเลยจริงๆอ่ะออมันไม่มีเราถ้ายิ่งกลัวตรงไหนยิ่งดีตรงไหนที่กลัวมากๆเนี่ยดีมันจะชัดเขาจะมมันจะขนหัวตั้งยังไงก็ใชนน มันมีบางทีเนะนี่ยมันมัมนมีผีมันมีเทวดามีเปรตมีอสุรกายมีสัตว์ประหลาดเนี่ยมันมีแต่ก็คือก็แต่หแต่ก็คือรูกเวทนาสัญญาสงขารยินยานก็คือบอกคืนนี้ดูดีจุดได้ใช่ไหมเทวดาอยเนี่ยเทวดาบอกมันไม่ใช่ไม่มี ไม่ให้เห็นอย่าหลอกตัวเอง่จริงๆน่ของเหล่านี้มันมีอยู่จริงๆใช่แต่จะปรากฏหรือไม่ปรากฏมันก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่สถานะแต่ความกลัวเนี่ยมันเป็นโทสะมันเป็นสังขารขันใช่ไหมมันไม่ใช่เราแต่มันสภาวะของโทสะเจตสิก มันเกิดร่วมกับโทมานะเสวนามันเกิดร่วมกันกับทุกไอเกิดร่วมกับสัญญาเกิดร่วมกันกับสังขารบางส่วนแล้วก็เกิดร่วมกับวิญญาณมันมันอาศัยเกิดขึ้นพอสภาวะต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ทําให้จิตติชะลุต้องวิจัยก่อนคือบางครั้งเนี่ยมาไม่ก็อยากจะเล่าเรื่องมีให้ฟังหรอกพราะเล่าไปได้แต่เล่าถ้ามันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเขคนก็จะไปยึดผิดีกใช่ไหมเข้ายายจะมา แต่ให้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่แม้ในบ้านเราแม้ในบ้านเราที่เราอยู่นั่นแหละก็มีอยู่แต่มันคุ้นไงเรานอนจนคุ้นเราอยู่จนคุ้นอะไรคุ้นโลปะมันคุ้นตัณหามันคุ้นใช่ไหมทิฏฐิมันเข้าไปคุ้นหมดแล้วโทรศัพมันก็รู้รู้หมดวิจัยไปหมดแล้วตรงนี้มีอะไรไม่มีอะไรวิจัยไว้หมด แท้ที่จริงก็คือให้เข้าใจว่าสังขารและขันคือโทสะเวลามันเกิดขึ้นในสภาพของโทสะแท้มันโทสะจริงๆเลยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเหตุธรรมสาต์ทั้งหลายมันกลุ่มใช่ไหมก็ไปสําคัญขึ้นมาทีนี้มันกันก็ปรุงแต่งไอ้สังขารเป็นธรรมชาติที่ปุงแต่งอยู่แล้วมันก็ปรุงไปขอางบนเลยแท้ที่จริงก็คือว่ามันพิจารณาเราดีมันมีจริงหรือไม่จริงเอาถ้า มีพราอยู่รูปหนึ่งนะที่มีอยู่ที่หนึ่งไม่ใช่ที่นี่นะโอ้โหก็เล่นซะจนว่าไม่มีใครอยู่ได้เลยขนาดท่าที่ถือว่าแน่เลยเนะี่ยที่มีองค์หนึ่งเนี่ยทุกวันเนี่ยอย่าไปเอ่ยนํานัา้นท่านก็บอกโหมาประหลาดมากบางทีมากิ่นเหม็นมากท่านก็บอกส่งกินได้ไหมก็ปรากฏท่านเลยก็ปรากฏด้วยนะท่านก็บอกว่าไม่เห็นหน้ากลัวเลยบอกเอาให้หนักกวนี้ก็ นั่งเข้านั่งเข้าหมดไม่รู้จะทําอีท่าไหนแล้วเขาบอกอันนี้มันไม่เห็นมีอะไรก็ท่านเห็นอะไรรึเมล่าท่านเข้าใจว่ารูปเบทนาสัญญาสังการอีกอ่างบอกปรากฏนี้ไม่บอกว่าเอาให้แรงกว่านี้ท่านว่าอย่างนี้เยมาเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้นั้นโดยโทรศัพท์เลยคือท่านมองมันโดยโดยธรรมชาติเท่านั้นเลยอันนี้พระบุตรชนเรานี่เ่ยไม่มีอะไรด้วยแต่ว่าเรียนอันนี้เรียนเข้าใจกันแล้วไม่มีอะไรแล้วท่าบอกว่าเอาสิ เอามาก็มองเลยลุกขึ้นดูเลยว่าอ่าวบางทีปรากฏแบบชัดขึ้นชัดขึ้นเนี่ยนะนะเขาเอามาดูเออทําไมรีบไปแล้วก็หายไปแล้วไม่หา ม, มายเลยไม่มาเลยก็ใครไปอยู่ก็อยู่ไม่ได้แต่ท่านนี้นไปอยู่อยู่แล้วเอาสินี่นนต้องอย่างนี้นี้เขาเรียกว่ารู้จักโทสะจริงเข้าใจใช่ไหมนี่เขาเรียกรู้จักตัวเขาจริงๆริงก็คือคือคือตรงนี้เนะี่ยเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่บอกว่าถ้าเราเข้าใจรูปขันเวทนาขัสัญญาขันสงการขันเราไม่ตามกันเลยไม่ต่างกันเลยเราควรอยจะเจริญอะไรตอนนั้นนะแต่ให้เข้าใจฐานให้ชัดก็บัญญัติก็ชัดปรามาสก็ชัดเข้าใจไหมเพราะเราเข้าใจสภาวธรรมเนี่ยรูปก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเวทนาสัญญาสงการวิญาณก็ไม่เที่ยงเมื่อเราเข้าใจว่ารูปเวทนาสัญญาสงการวิญญาณเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้เอามันไม่มีคําว่าเราอยู่เลย ฉะนั้นคำว่าเรากลัวเนี่ยมันไม่มีมีแต่โทม น, นาโสโทสะเจตสิกเป็นผู้กลัวปฏิเสธอารมณ์นั้นเท่านั้นเองเขาไม่ปราถนาจะเห็นอารมณ์นั้นเอาแล้วโทสะเกิดเพราะอะไรเอาเพราะได้ปัจจัยได้ปัจจัยเขาได้อารมณ์ที่ไม่นา่าชอบใจเขาคือไปตรงที่เงียบๆโทสะไม่ชอบไม่ชอบแต่ปัญญาชอบเห็นไหมปัญญาก็จะได้ทํากิจในการวิจัยศรัทธาก็ทํากิจในการนอ้นอมนอ้อมพระพุทธเจ้า เรวก็รู้แล้วเออตั้งมั่นในคุณของวาระตนะไตรเนี่ยใช่หไหมเรามีสารณะเรามีที่พึ่งไม่กลัวอะไรเออนามธรรมของเรามีสารณาอยู่สัตตินรียของเราก็เข้าถึงสภาวระพุทธธรรมมาสังฆายู่แล้วเราก็ศึกษาสภาพระธรรมมาขนาดนี้แล้วเนี่ยมีอะไรที่จะกลัวอัตตาแล้วหมรู้มีสิใช่ไหถ้าลองลองพิจารณาอย่างนี้นะถ้ากระจายทั้งหมดเส็จเสร็จเนี่ กลัวก็ก็ไม่เรี่ยงไอความไม่กลัวก็ไม่เที่ยงอันนี้นะอาจารย์ที้เอาอะไรตัเนี้ยก็แลยวมันกระจายถ้าเห็นด้วยความเป็นขันธะระยะชนะเสียเรากลัวอะไรเอากลัวอะไรน่ากลัวไม่ถ้าเห็นด้วยความเป็นขันธะระยะชนะจะไม่น่ากลัวมันจะมาในรูปแบบไหนจะเป็นสมมุติว่าเรียกว่าช้างว่าเสือว่าอะไรใช่ไหมก็มันเห็นด้วยความเป็นขันธาะระยะชนะเสร็จแล้ว มีการวิจัยของเรามันยังไม่ชัดแค่นั้นเองแต่ตรงนี้ให้รู้หน้าตาก็เลยพื้นฐานในเบื้องต้นหนึ่งมันจะได้เข้าใจว่าแท้จริงคือโทรศัพท์ใช่ไแล้วโทรศัพท์น่ะถ้าเกิดได้กําแังตัวเขาเองไม่มีกําลังเลยเลยอาศัยปัจจัยแต่การพรุงแต่งมันพุงแต่งเยอะนั่นเองที่ว่ามานั่งกลัวโกันอยู่เนี่ยมันนั่งปรุงแต่งยังคนหัวลุกมั้ยแสดงวุ่งแต่งมากถ้ามันเกิดขนาดเดียวเจะหัวลุกไหมมันต้องมีกําลังดิ ใช่ไหมต้องมีกําลังมากแล้วแสดงว่าเกิดถียิบเลยชาวนานี่แทบลองระวังนิดเดียวเองนะขึ้นพืพพพพ้นะเพื่อนะเข้าอนเล้นก็ในก็กระเจมใก็ซื้อจืดจอดเลยคนในกะ็เรียกซาย่าขวนะขาในก็ทำได้เลยทีบางทีอบางทีมันมันมันต้องดูว่าไอ้ที่พูดอย่างนั้ น, นมันเป็นกุศลหรืออกุศลบางครั้งเป็นโทรศสัสู้กับโทรศัทก็ไคืออย่างนี้นะบางทีเนี่ย ไม่ต้องอะไรหรอกเอามายกตัวอย่างเวลาวิ่งแข่งกันใช่ไหมเอามาแล้วต้องใจว่าเฮ้ยแน่หรือยังเอาสิว่าโซ่กันเราก็วิ่งเขาก็วิ่งมันอยู่ที่ใครจะอึดมากกว่ากันเนี่ยใช่ไหมเราโกรธไหมโกรธก็คือว่าหนึ่งเราต้องทนให้มากกว่าเขาแต่ในขณะนั้นเราไม่ยอมที่ทีก็เกิดมาหน้าก็เกิดเราไม่ยอมเราไม่ยอมเอาที่ ว่าแม่ไเราจะวิ่งจนกว่าขาไม่ขาดไงให้มันฉีกออกจากกันไงทําให้มันให้รู้ไปใครจะทนมอยู่ที่แรงอื่นแล้วมันพอพอกันเนี่ยกําลังเท่ากันแล้วแล้วมันก็ปุ๊บปุบก้าวขาเขาพร้อมกันเนี่ยเขาก็ก้าวได้ไม่ไวกว่านั้นแหละมันก็อยู่ที่เอาที่แล้วก็มองก็ปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้ววัดใจกันแล้ววัดใจกันแล้วอยู่ที่ใครทนได้มากกว่ากันวิ่งไวิ่งไปเจ้ามันวิ่งอยู่นั่นแหละวิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขานั่นเขา แล้วก็เขาไปไม่เป็นนอนหายใจกระรวยแต่ว่านึกในใจมีมาสู้กับเราเห็นไหมมันอยู่ไม่ใช่กุศลเพราะเรายังไม่รู้จักสมาธิที่ททททวิจัยที่จริต้องวิจัยว่าจริงๆว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าถ้าเข้าใจตรงนี้เปียเสร็จนีมันเข้าไปวิจัยก่อนหน้าแล้วพอเราเกิดจริงๆก็โอที่วิจัยไว้ตอนนี้เห็นชัดขึ้นจริงๆ โอ้ oh, เป็นอย่างนี้เองโอ้ oh, oh, เป็นอย่างนี้เองแต่เนี้ยพระธรรมของพระศาสดาอุป oh, โภคชักเลยนะมันจะเห็นอย่างนี้จะเข้าใจแล้วก็เราต่างๆมันจะถูกกระจายไปเรื่อยถูกกระจายไปเรื่อยแล้วมันจะไม่หุ้มหอ่อความสําคัญผิดก็จะถูกละไปนั้นการละแต่ละขนาดนี่มันจะเป็นอย่างนั้นั้นการละมันจะถูกกระเทาะละเป็นแต่ละขนาดขนาดไปแต่การละนั้นชื่อว่าละแบบไม่ตาบวน คามเข้าใจนะั้นมีโอกาสจะมาผิดพลาดได้อีกเพราะเป็นการละที่ไม่ถาวรแต่นั่นแหละถ้ามันช่องทางตรงนั้นมันเดินได้ถูกแล้วมัเดินมือวิจัยเองที่ข้อมูลในการวิจัยเนี่แหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละว่ามันมันชัดหรือยังเวลาศึกษาตรงเนี้ยก็นั่งวิจัยนั่งสนทนากันไปจนกว่าจะได้มุมมองข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นคือมันก็จะสะดวกขึ้นนี้จะเป็นยังไงั้นี่คือเกี่ยวกับในเรื่องของอัตตาทิฏฐิถอาใครจะแสดงท่าน น, น่ากลัวไหมในนี้ เอาสิ่งของต่างๆถ้ากลัวนี่กลัวอะไรเออแต่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องกลัวเนี่ยเรากลัวอะไรกลัวรูปขันหรือกลัวเวทนาขันหรือกลัวสัญญาขันสั้งขันทั้งขัหรือกลัววิญญาณขันเรากลัวอะไรใช่ไหมอะไรเป็นผู้ไปกลัวใช่ไหมไหนเราวิจัยทีวิจัยให้หลายๆหลายๆรอยๆไหนเราแล้วมันไปตั้งอยู่ตรงไหนมันถึงกลัวแล้วมันต่างอะไรกันใช่ไหมระหว่างกังวันกัางคืนต่างยังไง เราเป็นนั่งตอนนี้ทําไมไม่กลัวแต่เพราะว่าความมืดมันปกคลุมแล้วทําไมมันกลัวนะกลัวอะไรัสรุปแล้วก็คือว่าตัวสังขารขันนี่สังขารขันที่เกิดร่วมกับโทรศัพท์ก็สังขารขันอยังไหมก็กลุ่มสังขารขันห้าสิบนั่นเองเ อ, อถ้าหากไปพูดถึงในเรื่องของเห็นจักรคูอินญาณก็เป็นอัตจาก็มีเนาะพูดว่าการเห็นของเราชื่อว่าเห็นอัตตามีจกักรคู่ินญาณเนมื่อพูดว่า การเห็นมีอยู่ในเราในจักรวิญญาณในอัตตาแล้วเมื่อพูดว่าเราเป็นผู้สามารถในการเห็นนี่คืออัตตาในจักุวิญญาณในวิญญาณห้าอื่นที่เหลือก็ในนี้ก็ไปวิจัยก็ไปวิจัยแล้วขนาดนี้เป็นต้นฉะนั้นก็กล่าวความเป็นไปโดยการถือขันทั้งห้คือรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเนะว่าเรามีอยู่เราเป็นจัตเราเป็นมนุษย์เ ร, เ, เ, ดดเราเป็นเทวดาเราเป็นเท่าสกา่าเราเป็นพรม เราเป็นเปรตเราเป็นอสุรกายเราเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไมเราเป็นยักษ์เราเป็นอสูรอะไรก็ว่ากันไปนะเข้าก็มาอยู่เงี้ยเราเดินใช่ไหเรายืนเรานั่งเรานอนเราเหยียดเราคุกเมื่อบุคคลไม่เข้าใจสภาวธรรมแล้วก็กล่าวคำใดคำหนึ่งที่เกี่ยวกับอัตตาเขาตนหรือคนอื่นแม้เพียงชูชั่วคู่บอกว่าบางคราวจิต หรือคำของเขาย่อมดําเนินไปยึดมั่นในรูปในนามเป็นอัตตาเป็นตนบางคราวก็ไปเินเินไปเกี่ยวข้องกับอัตตาบางคราวก็ดําเนินไปเกี่ยวข้องโดยใสอัตตาเป็นต้นอะไเนี่ยนี่ก็เป็นไปลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการดําเนินเนื่องไปในสภาวธรรมหนึ่งบางคราวก็ดําเนินไปในสภาวธรรมที่ปิดกลุ่มรูปธรรมมันก็ประยึดมั่นกลุ่มรูปธรรมหรือนามธรรมก็ต้องไปสังเกตตรงนั้นด้วยนะไปสังเกตตรงนั้นด้วย ทีนี้เหตุเกิดของอัตตาปรากฏตัวอาศัยความที่เป็นไปในอำนาจและอาการกล่าวเนี่ยไม่มีแก่บุคคลผู้รู้หรือเห็นรูปธรรมานมามะธรรมรือเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นึ่งเป็นปัจจัยถ้าเราไปแยกแยะที่จริงถามว่าวิปัสสนาญาณเนี่ยนะถ้าแค่วิปัสสนาญาณแรกเกิดขึ้นเนี่ยความกลัวมันก็หมดนี้วเอาญาณแรกเลยนะ เขียนด้วยความเป็นรูปเวทนาสัญญาจัารายงานแค่นี้ยความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลความเป็นหญิงเป็นชายความเป็นผีหรือไม่ใช่ผีเนี่ยมันหายไปหมดเลยก็เห็นด้วยความเป็นรูปนามจริงๆใช่ไหมเราจะทํำยังไงให้ความเห็งนี้ปรากฏมากๆตรงเนี้เขาเรียกวิบัตัญญาแรกๆนะละสกายยะที่ถีดละได้ชั่วขณะเป็นต่างข้าพสารเขาเรียกว่าไม่มีตัวเราของเราแล้วเป็นแต่เพียงรูปนาม เป็นแต่เพียงรูปเวทนาก็ดําเนินไปในยาบทต่างๆใช่ไหมแท้จริงก็บอกว่าแท้จริงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็หมุนไปตามยาบทต่างใช่ไหมใช่ตอนนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารหมุนอยู่ในยาหมุนนะเดี๋ยวก็รูปเวทนาสัญญาสังขารไปหมุนอยู่ในยาบทนอนเดี๋ยวก็ไปหมุนอยู่ในยาบทเดินเดี๋ยวแต่เดไปหมุนอยู่ในยาบทยืนเดี๋ยวก็ไปเห็นไหมในการก้าวไปในการถอยกลับแสดงว่านั้นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกําลังหมุนในการก้าวไปกําลังถอยกลับ ไม่ใช่เรากล้าไปเราถอยกลับบางครั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารก็อยู่ในการคู่เข้าหรือเหย็ดอกใช่ไคูเข้าเหย็ดอกอย่างเงี้ยใช่บางครั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไปอยู่ในการแลการเหลียวใช่ไหยใช่บางครั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไปอยู่ในฐานะเป็นการกินดื่มเคี้ยวนิ่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่านี้ในไนะใช่หมนุ่หมถือพาชนะบางครั้งก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปอยู่ในฐานะเปทายิจา ใชม่มันงทีก็รูปเวทนาสัญญาสังขารมีอยู่ในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนเนี่ยในการหลับในการตื่นในการพูดในการนิ่งมันมีต่างไปอย่างนี้ไหมลนะ่ะแต้ที่จริงก็เป็นการหมุนไปของรูปเวทนาสัญญาสังขารยาที่เป็นไปตามเอียบท่างต่างๆเข้าใจอย่างนี้ไหมถ้าเข้าใจอย่างนี้สิอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าน้ำรูปปริเฉธไยานชัดแล้วจะกลัวอะไร มันมีอะไรอ่ะหนอัตตาในเราที่เ <Jub> ร <ilee> ียกว่าบอกคําว่าเราเนี่ยเป็นการสื่อให้เข้าใจพระองค์ก็ใช้ใช่ไหมพระองค์ก็ใช้นะคำว่าเราเนี่ยเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเราเหยียดเราคู่เราก้มเราเงยเนี่ยแต่มันไม่แค่นั้นน่ะทิศถีได้โอกาสเลยยึดปุ๊บปุ๊บมีอยู่จริงเนี่ยนะยึดบัญญัติคํานี้ว่ามีอยู่จริงเลยว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเราพูดเรากด เราดีใจเราเสียใจ ม, มันไม่ใช่แค่รูปไปทํานะไปนามาทํานะวเราดีใจเราเสียใจเราไม่พอใจไหยเราสุขเราทุกข์เราโศมนัดเราโทมนัดเราเบี่ยงขาใช่ไหมเ อ, อเราจําจํารูปได้เราจําเสียงได้เราจํากลิ่นได้เราจํารสได้เราจําสมบาดไ ด, ได้มันก็ไปล่กลับกันอีกนะครับก็คือว่าวเรามีศรัทธาเรามีปัญญาเรามีสติเรามีความไม่โลภเรารโลภเรารโกรธไหม เราหลงเราเห็นผิดเราเห็นถูกเราสงสยัยมันจะมีเราหมดนะนะข้าวแต่ข้าวมันก็ปญาติเราพ่อเราแม Ä ่เราก็รู้ไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยไอตัวมิจฉาทิถีนี่มันได้อาหารเยอะมากมันก็ลักณะที่จตุ ก, การที่เราศึกษาเมื่อสักครู่นี้เวานะ่วาไงก็มีความยึดมั่นโดยหาปัญญาไม่ได้เป็นลักษณะไอมิจฉาทิถีละสภาพที่เป็นจริงใช่ไหมกลับไปยึดถืออาสภาพที่ไม่เป็นจริงละสภาพที่เป็นจริงแล้วกลับไปยึดถืออันในสภาพที่ไม่เป็นจริงใช่ไหมใช่ เนี่ยมันก็จเป็นอย่างเนี้ยหน้าที่ไอหน้าที่ของเขาก็มียังไงมีการถือผิดจากสปาวะเขามีหน้าที่ถ้าถือถูกเขาไม่เอาถ้าเห็นถูกเขาไม่เอาเขต้องถือผิดเห็นถูกเขาไม่เอาเขาจะต้องมีหน้าที่เห็นผิดอย่างนี้ยนะแล้วก็นี่แหละความผลปรากฏของเขาก็คือการยึดถือที่ผิดเนี่แหละเป็นผลนี่ชัดแล้วยึดถือแล้วเอาลองถามใจเราจริงจริงดีตอนนี้พอศึกษามาตรงเนี้ย เรามีความเข้าใจว่าเป็นมือเราจริงๆในใจเราใช้มือเราจริงๆฮะยังเห็นอยู่ใช่มโอ้ยยังนี้ยังรักไม่ได้นะี่ความเข้าใจยังไม่ถึงใช่ไหมว่าตาเราจริงๆไหมคิดว่าเป็นตาเราจริงๆไหมไม่ความเข้าใจจริงๆของเราอยังเห็นอยู่ว่าเป็นของเราจริงๆอยู่ใช่ไหมแล้วตอนนี้เห็นอย่างนี้ไมไม่ลองลองไปนั่งคิดถึงอารมณ์อื่นก่อนนะลองไปคิดว่านี่ใช่ใช่ลูกเราจริงๆแล้วเราคืออะไร เราเนี่ยคืออะไรลองลองเข้ามาตั้งสมมุติฐานก่อนเรานี่มันคืออะไรก่อนใช่ไหมเพราะว่าตั้งเราเอาพิจาาไม่ได้ดไม่ใช่หมายความว่าที่พยายามพยายามไปตั้งเวทนาใช่ไหมที่เราไปเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยสัญญาใช่ไหมที่ไปตั้งว่าเป็นเราเนี่ยสังขารใช่ไหมที่ไปตั้งว่าเป็นเราเนี่ยวิญญาณใช่ไหมที่ไปตั้งกันเราเนี่นรวมรวมไปเสร็จแลยสมมติว่าเป็นเรานี่ผิดเลยเนี่ยอันนี้เขาเห็นผิดแล้วเราต้องบอกนี่มันเห็นผิดเนี่ยเราต้องถอยหลังกลับมาเลยนี่ยาวไม่ได้แล้ว ใช่ไหมนี่มันเห็นผิดนี่ถ้าเห็นอย่างเงี้ยมันมีอยู่จริงที่ไหนแล้วมันเกิดดับตลอดนี่แล้วเกิดจากเหตุปัจจัยเนี่ยแล้วอะไรเป็นตัวไปยึดอมิจฉาทิฏฐิแท้มันเกิดอยู่ไหนในกระแส ข, ขันธ์ธาตุยตนตนาเนี่ยมันมีกําลังในตัวเนี้ยเอามาวิจัยใหมด่ดิเอาตัวมิจฉาทิฏฐิมาวิจยัยด้วสภาว่าเขาเปา็นยังไงมานั่งวิจัยดูเลยอ๋อเ oh, ขาเห็นผิดเขาระสภาพที่เป็นจริงมายึดถือในสภาพที่ไม่จริงอ่า น, นี่ น, น, น, นีมันมีอยู่จริงอ๋อ oh, มันเกิดขึ้นไอตัวนี้เองใช่ไหม ทั้งๆที่เขาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาใช่ไหมตัวเนี้แต่เรามายึดได้เอามาปฏิปต่ปะเป็นเราซะจนได้อะ่ะเอาซิปฏิปต่ปตอเป็นเราซจนได้อย่างเมื่อเมื่อวานนี้ไหมกนนับวันเนี้มันหายไปหมดแล้วมันหายไปหมดแล้วนั่งกินข้าวตอนกลางวันมันหายไปแล้วตอนนี้มันเจ็หนึ่งทุ่มอยู่แล้วเนี่ยแล้วไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะอัตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนั้นอนะ่ะมันหมดไปแล้วอ่ะแล้วก็มายึดถือกันมาอยู่อย่างเนี้ย ว่าเรากินข้าวอิ่มแล้วเห็นไหมแค่กินขันท่าเยตะนาเป็นผู้กินใช่ไหมแล้วขันทาเยนะนาพุที่ผู้บริโภคต่าง ม, มันก็หมดเกลี้ยงไปแล้วตอนนี้ขันท่าเยตะนามันก็สืบต่อมาเนี้ยเนี่ยแล้วก็ทําความเข้าใจให้เราผิดอยู่เนี้ยโดยสภาพจริงต่างๆเหล่านี้มันมั น, ม, นมันมีการเกิดดับสืบต่อมาตามลาดับแต่อภิชาทิฏฐิก็พยายามจะไปกข้านความจริงเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับอะไรล่ะแบกข้านความจริงว่า ภาพทิศไม่มีอยู่จริงมันค้านได้ไหมคิดแทบตายมันก็ทุกข์นิจัยทิฏฐถ้าเข้าไปวิจัยจริงๆจะเห็นว่านิจชาทิฏฐิเนี่ยยึดถือสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงว่ามีอยู่จริงแล้วนี้ไอ้บัญญัติเนะี่ยบัญญัติคําว่าชื่อใช่ไหมโดยสถานะความเป็นพ่อความเป็นแม่ลองดูที่ตรงไหนคือพ่อแม่อาศัยความเกิดดับสืบต่อกันมาตามลําดับอย่างนี้เท่านั้นใช่ไหมมองบัญญัติว่าพ่อว่าแม่ อันนี้โอ้เนี่ยเห็นไหมมันปเป็นเย็ดมั่นจนจนแน่นหมดแล้วไอตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเพราะสภาพความเป็นจริงนั้นมันคือรูปเวทนาสัญญาและมาวิจัยด้วยที่วิจัยแล้วดินน้ำไฟลมใช่หไหมเอาวิจัยเลจยจักขู่ประสาทใช่ไหมโซตประสาทคานะประสาทจิ๋วหาประสาทกายย่อประสาทเรามานั่งวิจัยรูปอารมณ์จัตอารมณ์กันอารมณ์รักษารมณ์ปวดอารมณ์อยู่ไหมเอาวิจัยดูดิอิทธิภาว่าพริสภาวะขัตยยะชีวิต อาหารละใช่ไหมกายญญาวิญญาณวิจิววิญญาตแล้วหุตามูตากรรมญาตาอุปัจญาสันติชาราตาอนิจจตา ม, มีอะไรอะมีอะไรตรงนี้วิจัยที่เราขาดการวิจัยจริงๆแล้วมันไม่มีมันไม่มันมันแท้จริงเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งด้านนั้นเด่แล้วสภาวธรรมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาลักษณะของแต่ละยลอย่างเราเขายังไม่ชัดใช่ไหมทีนี้ถ้ากลุ่มนามาทํำนะ่ะยิ่งโอ้โหเร็วใหญ่เลยกลุ่มนามาทําอ่ะ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 มันวิจัยจริงๆดิเราจะเห็นว่าจริงๆมีอยู่จริงไอ่าที่ที่ว่าเราเรามีเรามีเรามีว่ามีอะไรอยู่จริงมันความฝันทั้งนั้นของยืมเข้ามาทั้งนั้นมันเป็นของหลอกลวงทั้งนั้นไอ้นี่นะมันก็เริ่มวิจัยได้ใช่ไหมแล้วมีอะไรอยู่จริงเว้ยเดีนี้วิจัยใหม่ๆเนี่ยแล้วทั้งๆที่ตันหาวิจัยเนี่ยยองีตั้นหาร้องไห้อะมันร้องไห้มันเสียดายมันสมัยก่อนเนี่ยยายมางร้องไอ้ทอมานัทเนี่ยร้องไห้เลย ทั้งท่ามันไปเข้าใจแล้วมันไม่มีแล้วใช่ไหมนี่มันก็เสียดายที่มันไปยึดมาตั้งนานแล้วไปยึดในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงไงมันไม่ใช่ว่าตั้งทิฏฐิตั้งแล้วมันจะไม่เข้าใจเนี่ยแล้วมันไม่กล้ามันไม่กล้าคิดแบบนี้มากมันกลัวไม่ได้อะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยในหรับที่จะมันยึดถือเนี่ยไอ้ที่ที่ยอมสุรีพูดเนี่ยมันหมายความว่ามันไม่ใช่ว่าเอาไปไปใขร่ครวไม่ได้มันไม่กล้าคิดมันกลัวมันกลัวสิ่งสิ่งจริงอ่ะเพราะมันในฐานของเขาคืออะไร ตัวมิจฉาทิฏฐิฐานของเขาคืออะไรละสภาพที่เป็นจริงเขายอมรับความจริงไม่ได้หันกลับมาหาสิ่งที่มันไม่เป็นจริงแล้วก็ยึดสิ่งที่ไม่เป็นจริงว่าเป็นจริงนี่คือทิฏฐิหน้าตาก็อย่างนี้หน้าตาของมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างนี้เช่นว่าแท้ที่จริงดินน้ำไฟลมเนี่ยมันเป็นผมแต่สําคัญว่าผมถ้ามาปากักอยู่บนศรีรษะนี้บอกว่าผมเราเอาสิแต่ถ้ามันอยาให้หลุดนะหลุดเดียวนั้นก็บอกว่ามันไม่ใช่ใช่ไหม พร้อมที่จะละทันดีทันหาเท่านั้นแล้วก็ยึดสิ่งที่เหลือต่อไปเอาสิมันยึดอย่างเงี้ยยึดจนซากมันจะไม่มีจะซากจะยึดแล้วก็ยึดอยู่นั่นแหละเนี่ยข้ามันก็ปล่อยอันนี้ก็ไปยึดอันใหม่อีกมันก็หล่อออกมาในสงสารวัฏอย่างเงี้ยตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเราหกเละาเขินไปว่าเองตัววิจฉาทิฏฐิแท้มันไม่ลองวิจัยที่จริงๆเราโดยมากเราไม่ค่อยไม่ค่อยวิจัยมันพอวิจัยมากๆมากๆมากๆมากๆเข้าเนี่ยมันไม่มีเข้าใจใช่ไหม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 มันยึดมากขึ้นมากขึ้นมันมีกําลังมากขึ้นนาเข้านะเข้ามันยึดจนมันหลงหมดแล้วจนมันมืดมนโอนการเหมจนสมการผิดว่ามันมีอยู่จริงๆแล้วมันสร้างมโนภาพจินตนาการอย่างใหญ่หลวงเขาใจ่ยังมันสร้างจินตนาการสร้างอาณาจักรสร้างวงจรทังมันเรียบร้อยเบียดเรจแล้วมันไปที่ไหนมันเที่ยวยืดไว้หมดเขาใจ่ยังมันเป็นอย่างนี้หน้าตามันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าไปเอาตัวเข้ามาตั้งไม่ได้นะได้แต่ว่า การวิจัยให้ถึงไหมถ้าวิจัยถึงเนี่ยนะเขา้านะเขาก็บกมือเราถ้าวิจัยแบบนี้เขากลัวมากเลยแล้วยิ่งวิจัยหนักเขา้านักเขา้านักเข้านี่เนี่ยเขาจะออืเดือดร้อนใจมากต่อไปเขาจะสร้างเหตุปัจจัยมาดึงเราทุกรูปแบบดึงทุกรูปแบบเอาพ่อตายบ้างเอาแม่ตายบ้างเอาลูกตายบ้างเอาสามีตายบ้างเอาญาติตายบ้างเอาคนนั้นเดือดร้อนบ้างหอะไรต่างสารพัดแหละ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 ใชไมเอกุศลกรรมาตัดรอนเลยให้กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเสียอย่าไปฟังคนนี้มาฟังแล้วไม่ได้เราขนาดนั้นเนี่ยในขาวเขาแพ้กันขับไปก็ไปนั่งแล้วก็มิจฉาทิฏฐิก็กินกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่กล้าเข้าเฝ้าพระุทธเจ้าไปหรอกคนที่จะกล้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยกระจุยไปเลยพวกนี้นี่ในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่กล้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจริงๆพอไปเฝ้าแล้วก็เกิดปัญหาอย่างนี้แหละ เจออุปสรรคที่ก็โตกเด้งกันดีกันไปหมดแล้วเข้าใจยังตัวเนีน้มันเป็นแบบนี้ไม่จริงใช่ไหมมองเห็นไหมอย่างเงี้ยนั้นจึงบอกถ้าวิาว่งกล้าวิจัยจริงๆเนี่ยหลุดเราเนี่ยหลุดและความเข้าใจก็จะชัดขึ้นทีนี้ถามบอกว่าปริมาณวันนี้มันยังไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมเราก็จะเริ่มรู้ว่าโอ้ฐานมันไม่เข้าใจอยู่ตรงไห น, นี่ว่าเออ พอไม่เข้าใจเป็ดเสร็จป๋อฐานทางด้านของรูปเวรน า, าสัญญาสังขารวิญยายังไม่พอชัดแค่นั้นแหละใช่ไหมหมาปุถรูปสี่คือปทัทวีอาโปเทโชวาโยโอก็ยังไม่ชัดจักขุโสตคานาจิวหากายะก็ยังไม่ชัดรูปอารมณ์สัตตารมณ์กันตารมและสารลมปวดอ า, ารมณ์ก็ยังไม่ชัดใช่ไหมตรงเนี้ถ้าถึงเหล่านี้เริ่มชัดขึ้นเราจะเห็นในความเป็นรูปธรรมนะเข้าเข้าลงวิจัยมากขึ้นว่าขึ้นใน ส, สุตตานี่แหละถ้าวิจัยมากๆสะเทือนกัีนะอย่าลืมเ ล, มลมสะเทือนเลย เคยวิยจัยขนาดนี้ไหมล่ะยังใช่ไหมแต่ลองลองคิดดูที่ว่าปริมาณของตัวมิจฉาทิกีเขาทำงานมานานเท่าไม่เคยละความรู้สึกเราไปเลยอ่ะโดยส่วนใหญ่นะเราขนาที่เราเราอยู่กับเพื่อนอยู่กับญาติมิตรทั้งหลายเรานี้ความเป็นเราทั้งนั้นเต็มไปหมดเล้วมาอยู่กี่ปีแล้วงั้นถ้าเราจะมาเอาข้อมูลตรงนี้เลยทีเดียวเนี่ย ใช่ไหมเราก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันเริ่มเห็นล่องลอยใช่ไหมเนี่ยล่องรอยมันเริ่มเห็นเราเริ่มที่จะเข้าไปเจาะเข้าไปวิจัยมันได้บง้งเลยเพอจะเริ่มมองอย่างนี้เราก็จะเริ่มเข้าใจคําว่าฝ่าดงหนามของมิจฉาทิฐิฝ่าโรคชัดคือทิฐิกันดานคือทิฐินะมันเป็นโรคชัดมันเป็นยิ่งกว่าแขนงไผ่มันยิ่งกว่าป่าดงดิบ มันยิ่งกว่าทางกันดานมากที่เราจะเดินฟา่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยออกมาได้เนี่ยโอ้ยขนลุกขนพองกว่าจไม่ได้มาฟังธรรมกันได้เนี่ยมันฟา้ามาได้ยัง ไ, เ ไ, ไ, ง, ไ ง, งเนี่ยหลุดมาได้ยังไงในการว่ามนั่งฟังธรรมเนี่ยมันต้องเจอเหตุการณ์อะไรเยอะแล้วมันจะต้องไปตอบปัญหาตัณหาทิฏฐิอีกเยอะมากจะต้องอธิบายเขาอีกเยอะใช่ไหมจะต้องขอร้องเขาอีกเยอะใช่ไหมใช่แล้วมันยังมีปัญหาอีกเยอะตามมาเนี่ย ปัญหาทางด้านสังคมทางด้านครอบครัวอะไรก็ดีว่ากันมาเนี่ยปัญหาทั้งสิ่งแวดล้อมปัญหาทางด้านของสถานะอะไรเยอะแยะหมดเกี่ยวกับเรื่องของต้องแสวงหาอาหารในการเลี้ยงรูประกายมันเนี่ยเป็นค่ามันอยู่เนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนในชีวิตเนี่ยใช่ไหมมันให้เนี่ยคือเนี่ยคือสิ่งที่มิจาทิฏกิมันให้หรอกพอมันเห็นผิดแล้วมันก็จะดําเนินชีวิตไปอย่างนี้แหละแต่ถ้ามันเห็นถูกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกล้ามันกล้าทิ้งที่ถ้ามันเห็นผิดมันไม่กล้า มันก็จะไปอีก ม, มุมหนึงเนี่ยมองเห็นได้ยังแตอนนี้นี่เป็นอย่างนี้เอ้ามีใครสงสัยอะไรตัวนี้มีอะไรยังขัดข้องไหมเรื่องวิจัยที่ทีเอาอธิบายให้เพื่อนหน่อยอ่ะ ม, มุมที่บอกว่าเข้าใจนะเพื่ออธิบายสรุปคืออย่างเงี้ยบนที่ที่อาจาบอกว่าเรียนเขาเ้าใจว่ามืออ่ะเป็นเราอ่ะใช่ไหมถ้าเราเข้าใจเราก็วิจัยเลยเพราะจริงๆแล้วมือเราก็ต้องรู้จักว่าดิน น, น้ําหลมไฟคืออะไรว่า ความอ่อนความแข็งความอะไรมันรวมกันใช่ก็ามาเป็นมือเป็นกระดูกเป็นอะไรเงี้ยคือวิจัยมือให้ทองแท้เลยก็จะไม่ใช่เราถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงแล้วเนี่ยสมาธิที่เกิดเนิชฉาทิฏฐิที่เข้าใจผิดว่าเป็นเรามันก็ไม่มีตัวเราก็สลายไปใช่ไหแสมมติว่าเรามาคิดถึงตาแต่ไม่ได้ก็จะบางทีคิดว่าจักถุกหลุดยาเนี่ยยังลึกไม่ได้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 ฉันจะถึงนาฬิกาตรกไหมคือเนี่ยคือแว่นตาของเราใช่ไหมที่จริงคือดินน้ำใบลมใช่ไหมสีกีรติมีสีใช่ไหมถามว่าอะไรไปเห็นจากปุญญาเห็นแต่สัตว์โลกไปเข้าใจว่าเราเห็นทันดี <c oughs> เพราะมันยึดตัวจากปุญญามาตั้งนานแล้วแล้วไม่ใช่เราเห็นสีด้วยนะไปเห็นแว่นก็เห็นใช่ไหมแท้ที่จริงคือรูปารลมเนี่ยรูปารลมคือสีอ่ะ ที่มันจะมีสีได้เพราะประกอบไปด้วยมหาพูทธไปมาณของเม็ดมหาพูทธนี่ยมากเหลือเกินดินน้ำไบลมเนี่ยเยอะมากก็เป็นที่ตั้งของสีต่างๆโดยสรุป ก, ก็คือตัวจักขูวิ ญ, ญญาณเป็นผู้เห็นตัวรูปารมณ์เป็นผู้ถูกเห็นแต่สัตร์โลกนั้นสําคัญผิดสองจุดเลยนะหนึ่งสำคัญจกักขูยิญญาณเป็นเราสองสำคัญว่ารูปารมณ์เป็นแว่นเราโอ้โหเห็นไหมเนี่ยไปเข้าใจว่าจากักขูยิญญาณเป็นเรา ไปเข้าใจว่ารูปอารมณ์คือแว่นเราไปเข้าใจว่ารูปารมณ์เป็นแว่นแท้ที่จริงแหวนน่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกจะเรียกอะไรก็ได้ภาษาต่างๆก็ว่ากันไปทิ่นต่างๆก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ถ้าท้องถิ่นก็ว่ากันไปเขาไม่เรียกแว่นหรอกแต่เราในภาษาของเราเี่เรามันหยัดว่าแว่น สีน้ำตาสีเหลืองสีเลยม่ใช่ไม่ได้หยุดหยุดแค่ว่าสีใช่ถ้าบอกสีน้ําตาลมันไปแล้วมันไปแล้วมันเกินไปแล้วเกินความเข้าใจไปแล้วทีนี้แท้ที่จริงถามว่าจักขูวิญญาณที่เป็นผู้เห็นนั้นจักขูวิญญาณนั้นเป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยเพราะจักขูวิญญาณเนี่ยอาศัยจักขูภาษาเป็นไปจักขูวิญญาณเนี่ยเป็นเป็นวิญญาณขันเกิดร่วมกับเวทนา เกิดร่วมกับสัญญาเกิดร่วมกับสังขารและตัวจักขุวิญญาณเป็นต้นเหล่านี้อาศัยจักขุพัสสากูฏเห็นไหมแล้วจักขุวิญญาณเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องมีอารมณ์คืออารมณร์อปัจจัยคือรูปอารมณ์นี่แหละเขาถึงจะเกิดขึ้นมาได้แล้วจักขุวิญญาณเนี่ยที่เป็นไปได้เนี่ยเป็นตัววิบากที่มีตัวกุศลกรรมนะถ้าจักขุวิญญาณของมนุษย์เนี่ยมีกุศลกรรมที่บวกขัตัิหาและอวิชาในดีนี่นแหละเป็นปัจจัยเห็นไหม ว่าเฮ้จักรคุญญาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เนี่ยตัวจักรวิญญาเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเพราะปัจจัยของจักรคุญญาณก็ไม่เที่ยงจักรกุศลเที่ยงไหมแล้วจักรคุญญาณที่อาศัยจักรกสาทจะเที่ยงแต่ที่ไหนจักรกุศลที่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นด้วยความเกิดและความดับอยู่ตลอดเวลาแล้วจักรคุญญาณที่อาศัยจักรกุาลที่มันเป็นทุกข์มันจะเป็นสุขได้ยังไงล้ว แล้วจักรครูปราสาทที่เป็นที่รองรับเป็นที่อาศัยเนี่ยนะที่จริงจักรคูปราสาทเป็นอาธาระใช่ไหมจักรวิญญาณเป็นอาขคยะก็คือเป็นเป็นจักรวิญญาณเนี่ยเป็นตัวเข้าไปอาศัยหรือเป็นผู้อาศัยจักรปราสาทอุปมาเหมือนกับที่เหมือนกับสถานที่ที่ให้ให้จักรวิญญาณอาศัยเท่านั้นเองทั้งสองอย่างนี้ล้วนเกิดจากปัจจัยหมดเลย ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยเราทั้งนั้นแต่ทิฏฐิต่างหากไปยึดผิดว่าจักรวิญญาณเป็นเราจักรวิสัตย์เป็นเรารูปอารมณ์เป็นแว่นเราเห็นไหมมิจฉาทิฏฐิไล่ไปหมดเข้าใจผิดพลาดหมดเลยทีนี้พอจักรุวิญญาณเกิดขึ้นมาตัวจักุวิญญาณเนี่ยตัวเขาเองไม่ได้กําหนัดขัดเคืองรุ่มหลงอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้กำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงอะไรเลยเนี่ยจักรวิญญาณเนี่ยเพราจักุวิญญาณเป็นวิบาจิตใช่ไหม แล้วก็เป็นอิตธิจทธกด้วยไม่ใช่ชาวนะด้วยเขาจะไปกําหนัดด้วยโลภะก็ไม่ได้ไปขัดเครืองด้วยโทสะก็ไม่ได้ไปร่วมเหลือหลงด้วยโมหะก็ไม่ได้แต่ชาวนะของสัตว์ที่ไม่ได้มีโยนิสกมมนุษย์การอย่างเราเท่านทั้งหลายนี่แหละเลยไปยึดว่าเห็นนั่นคือเราเป็นผู้เห็นอัตตาเป็นผู้ไปเห็นมันมีอยู่จริงที่ไหนแล้วอัตตามีจริงที่ไหนมีที่ไหนล่ะเป็นสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริง มิจฉาทิฐีสมมุติขึ้นว่ามันมีมิจฉาทิฐีเป็นผู้อุปลโลกขึ้นว่ามันมีมิจฉาทิถีเป็นผู้แต่งตั้งว่ามันมีอยู่จริงแท้จริงมันไม่มีเขาเรียกมิจฉาทิถีเที่ยวสถาบันาไปทั่วว่าตาเราว่าจากขวิญญาของเราแว่นของเราไอตัวมิจฉาทิถีมันเที่ยวไปทํางานแล้วสถาบนนาตั้งึนมันตั้งสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงเพรามันกลับจากสิ่งที่เป็นจริง มันถอยจากสิ่งที่มันเป็นมาจริงแล้วก็มาสมาทานสิ่งที่มันมีอยู่จริงเข้าใจยังมันก็เลยไปสังคัรผิดว่าเห็นไหมจากขวัญญาจากขวัญญาณเนี่ยเป็นเราเลยเราเห็นนู่นนั้นแท้จริงจากขวัญญาเป็นผู้เห็นเขาบอกว่าแล้วยังไปเห็นภาพตรงนี้นว่าจากขวัญญาเป็นผู้เห็นแว่นมันเห็นได้ที่ไหนแล้วแว่นมันมีอยู่จริงที่ไห น, นสีใช่ไหมสีคือจากขวัญญาณเห็น ความสําคัญโดยความสมมุติกันมาตามเราพวิถีจิตเกิดอย่างมากมายขึ้นมาก็สมมุติเรียกกันว่าแวน่นจะได้เข้าใจกันว่าจะได้ไม่สับสนบอกหยิบแว่นมาดีจะไม่ได้ไปหยิบช้อนเขาจะยังจะได้เขาอย่าไปเอาบัญญัติมาเป็นของจริงที่มันก็ยุ่งเลยทีนี้งั้นก็ไปเถียงกันแล้วก็คนละประเทศเนี่ยใช่ไหมเพราะเรียกไม่เหมือนกันนะ่ะแท้จริงก็คือสภาพของดินน้ำไฟลมที่มี ถ้าเห็นก็รู้ก็รูแล้วมองเห็นอะ้รเนี้ยนั่นจากคูวิญญาณเนี่ยเมื่อพูดว่าเราเห็นผิดหมดเลยอันนี้ปัญหาในี่ตั้งผิดด้วยวจะตอบยังไงถ้าบอกเราเห็นใช่ไหมเพราะตัวเห็นคือจากคูวิญญาณเห็นเนี่ยคําว่าเรามันไม่มีก็ต้องบอกเราไม่มีจากคูวิญญาณเป็นผู้เห็นนี่จะตอบไม่ถูกเราได้ยินอา้าวเราไม่มีโสตวิญ ญ, ญาณจะเป็นผู้ได้ยินเนี้ยเราได้กลิ่นเอาไม่มีคณะวิญ ญ, ญาณจะเป็นผู้รู้กลิ่น เรารู้รถเอ้าไม่มีอีกเอ็กคําเนี่ยแท้ที่จริงชิวหาวิญ ญ, ญาณไป็นผู้รู้รถเรารู้เปลี่ยนร้อนเอา้าไม่มีอีกตัวกายวิ ญ, ญญาณไป็ผู้รู้เย็นและร้อนนี่นี่นี่มองเห็นไหมเพราะไอตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันจะไปอุปโลกสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงว่ามันจริงนี่นเป็นอย่างนี้เขาเลยไปเที่ยวไปสถาบนเาไปทั่วแล้วเราก็ตามมันนี่แม้ความเข้าใจกระแสขันทายแาะนะก็ตามมิจฉาทิฏฐิก็ให้มิจฉาทิฏฐิเป็นตัวนํา พอมิจฉาที่ฐิเกิดขึ้นมันจะตามมาด้วยมิจฉาสังกัปป์พอมันดำรีผิดแล้วมิจฉาวาจาตามมาไหมมิจฉาวาจาแล้วก็การกระทําเป็นมิจฉาอะไรกรรมมันตามแล้วการประกอบอาชีพเป็นมิจฉาอาชีวะถ้าเพียนก็เป็นมิจฉาวายามะพอระลึกก็เป็นมิจฉาสติเห็นไหมอ้าวพอตั้งมั่นก็เป็นมิจฉาสมาธิพอเข้าไปรู้ก็เป็นมิจฉายานะเอาเลยสิพอจะหลุดพ้นก็เป็น มิจฉาวิมุตต์ไปเป็นแถวอย่างมีจาริกิีนี่แหละเป็นธรรมอันตรายมันเข้าใจกันผิดมาตั้งนานแล้วในสังสารวัตรเนี่ยเพราะไม่เจอพระธรรมเพราะไม่พบสัมมาสัมโพธิญา น, นี่แหละจึงต้องท่องเที่ยวเนี่ยไม่พบโพธิยา น, นี่แหละยังไงถ้าได้สักโพธิยานดีเอาสิปจเจกับโพธิยานยังไงสวาวกับโพธิยานหรือสัมมาสัมปชัญญานะ เ, เราจะไม่งงเข้าใจยัง เรื่องชัดหรือยังก็การทำความเข้าใจนี้ให้แจ่มแจ้ ง, งให้ชัดขึ้นให้กว้างขึ้นแล้วอย่ากให้มันกลับมามืดอย่างเก่าอีกมันก็มันนั่งคุยเรื่องเอดียวกันนี่ไม่เข้าใจมันต้องใช้เรียวแรงกันอธ <c oughs> ิบายเนี่ยตรงอธิบายยอมตูดีฟังไงกี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้แต่ยังไม่แน่แล้วทีจะไม่เข้าใจไม่ใช่คือเพราะความไม่เข้าใจเนี่ยมันจะค่อยๆกลับเข้ามาอีหม่ พอยิ่งไม่ถกไม่วิจัยไม่ใกล้ควรมันก็มืดเหมือนเดิมมันเคยเข้าใจมากกว่านี้แล้วมันก็หายไปเนี่ยมันเพราะอะไรประมาทประมาทใช่ไหมก็คือขาดสติแล้วก็ขาดวิทยาแล้วก็ขาดสมาธิเอาสามตัวนี้ไปไปใข้ครัวทิ้นะแล้วก็แล้วค่อยมาว่ากันต่อเข้าใจใช่ไหม